กับรัฐกันพรอครูสมณะโพธิรักครับรัฐสกันสมณศรุภูมและศิกรมาทุลภูมนะครับแล้วก็เจริญธรรมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ที่ห้องสงนะสันติอาโซห้องกันเกาแห่งนี้นะครับและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เวียนมาตรงกับวันจันทรแรม8ปดข้ามเดือน7ครับตรงกับวันที่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2556ครับ วันจันผมก็ต้องมาทำหน้าที่ในการดำเนินรายการเรียนอิสระตามสำนึกครับเพราะว่าวันนี้ก็บนมาอีกแล้วครับเพราะว่ารายการนี้พยายามที่จะเอาสำนึกนะครับมาเป็นเครื่องมือในการเรียนครับครูครับเพราะฉะนั้นสำนึกวันนี้ไม่ทร า, าบว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวคงจะได้เห็นนะครับผมก็เตรียมสำนึกมาเยอะมากนะครับอุปกรณ์นะครับก็วันนี้เอาเอากันให้ชัดชัดแบบเป็น ชดชดเฟรมต่อเฟรมอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นครับคำสามคำครับผมก็ถามพ่อคุงมาตลอดพ่อครูก็อาธาิบายมาตลอดอย่างต่อเรื่องและยาวนานตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมเคยทํารายการนี้โดยเฉพาะ ย, ยิ่งเรื่องของขันห้าอายตนะหกนะครับซึ่งผมใช้คำพูดง่ายว่าเป็นคําเล่นๆของผมว่าบทที่หนึ่งเพราะบทที่หนึ่งนั้นนําไปสู่บทสุดท้ายนะครับเพราะสิ่งที่สําคัญครับถ้าเราเข้าใจนาม รูปกายคำสามคํานี้ธรรมาวานนั้นติดตามชมดูในส่วนของพ่อครูรายการนะครับพ่อครูก็จะเอาคำสามคํานี้มาพูดให้เน้นย้ําอีกทีหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะหลายคนครับพูดได้นะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องไปดูสติปัญฐาสี่บอกกันหมดเลยครับดูกายเวทนาจิตธรรมนะครับบอกว่าไงครับต้องไปดูกรรมสกามคุณห้าสังโยชน์ิส ในสังโยชน์ิบก็มีสักกายทิฏฐินะครับไปดูอุปทานสมีอัตวาทุปปาทานแล้วคําเหล่านี้ครับจริงๆเราเพียงแค่เข้าใจเข้าใจเท่านั้นใช่หรเป่าเข้าใจแบบปริยัติหรือแบบการเรียนแบบท่องเอากันอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ที่ผ่านมานั้นผมตามดูรายการบางทีก็เป็นช่วงการย้อนอดีตที่พวกครูได้อธิบายธรรมทางเอฟเอ็มทีวีพราะกว่าอธิบายธรรมพวกนี้เนี่ยครับมานานมานานแล้ว หลายคนเข้าใจครับแต่การเข้าใจนั้นเข้าถึงหรือยังและการเข้าถึงนั้นพัฒนาตัวเองกันต่อไปเช่นไรผมคิดว่ารายการนี้คงเป็นหน้าที่ของผมในฐานะหัวหน้าห้องนะครับและตัวแทนเพื่อมาเรีนรู้เองนะครับพ่อครูครับจะทำให้ทั้งหมดนั้นเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับประเด็นนี้คงเป็นหน้าที่ของผมในการศึกษาเพราะก่อนทานี้ผมก็คุยกับพ่อครูครับว่า ถ้าแยกกันไม่ได้เข้าใจไม่ถึงไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริงก็จะไปสู่วิโมกแปดไม่ได้ถูกไหมครับพรอครูใช่แต่คุณต้องครับเพราะว่าวิโมกแปดนั้นะจะเป็นการมองผ่านระหว่างรูปกะรูปประชานก่อนอซึ่งท่องได้ครับวิโมกแปดท่องงัดนจ้อยๆเลยครับแปดมีอะไรบ้างรู้ๆู้น้นี่ไปหมดครับแต่ถามว่าความเข้าใจนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งผมเองเนี่ยผมมานั่งจากรายการนี้ก็เข้าปีที่2นะครับมผมอยู่ใกล้พ่อครูท่านเนี่ยเราจะไม่เคยมีการเตรียมหรือเตรียมอะไรกันมาก่อนเพราะผมก็จะถามในสิ่งที่ผมต้องการจะถามจากสิ่งที่เป็นไปนะครับแล้วสิ่งที่สาคัญผมมักจะพูดอยู่เสมอครับถ้าใครจับดูประเด็นองค์ทำต่างๆเวลาพ่อครูท่านอธิบายนะครับเหมือนเหมือนนาฬิกาที่เป็นฟันเฟืองไม่ใช่ในการดิจิตอลนะครับนาฬิกาฟันเฟืองนะครับ เป็นฟันเฟืองแต่และฟันเฟืองแต่และกลไกต่างๆนั้นเสียบเหมือนองค์ทำต่างๆที่พอครูสามารถพูดองค์ทำหนึ่งไปองค์ทำสอง 3, องค์ทำสามองค์ทำสี่มีความขับเคลื่อนมีกระบวนการสอดร้อยกันอย่างไงที่เหมือนบอกว่าเป็นการร้อยเมลัยที่ลงตัวนะครับนี่คือประเด็นที่สําคัญเดี๋ยววันนี้ผมคงจะต้องเข้าสู่ประเด็นในการซักถามก่อนครับวันนี้พอครูครับผมเอาวิทยุมาด้วยครับวิทยุครับเพราะว่าที่ผ่านมาครับ พูดเหมือนได้ดังใจในใจผมครับขอประธานโทษพระครู ด, ด้วยครับที่ผ่านมาทุกสัปดาห์พรอครูมักจะเอาผลมาไม้ง่ายๆข้างหน้าครับมาเคาะเคาะ ค, ค, ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บอกว่ารูปนี่เป็นอย่างนี้ครับแล้วมันไม่สามารถที่จะรับความรู้สึกและอารมณ์ได้ผมเห็นเคาะมาหลายเคาะใจผมก็มีความรู้สึกว่าไอ้ที่เคาะนั่นนะครับมันเป็นผลไม้ที่ไม่น่าเคาะ ใจผมนึกว่ามันน่าจะเคาะกระท้อนครับวันนี้มีคนเอากระท้อนมาให้ผมวางให้เสร็จเลยครับพ่อครูครับเพราะกระท้อนยิ่งเคาะยิ่งหวานนะยิ่งพกยิ่งหวานนะครับก็ก็ผลไม้กันไปแล้วครับอาจจะเป็นรูปรูปรูปแบบการศึกษาหนึ่งอันนี้ผมเอาวิทยุมาทํำไรครับมาเพื่อจะเปิดเสียงครับเราลองมาทดสอบอาการของเสียงบ้างแล้วผมจะถามพ่อครูครับ มีที่ไหล่ฝนทุกทีดังนั้นต้องเปลี่ยนไปคลื่นอยู่ผมเปิดเสียงนะครับท่านผู้ชมครับชั่วโมงทำงานของเขาอยู่นะครับฟังเสียงผมเปิดสวิตก่อนนะครับแบตครับผมเปิดสวิตแป๊กนะครับนะครับไม่ไม่ต้องสนใจสวิตนะครับแสดงว่าวิทยุนั้นได้มีการทํางานมาแล้วถูกไหมครับทุกคนเข้าใจด้พื้นฐานว่าเมื่อวิทยุทํางานนั้นถ้าคลื่นมันตรงมีคลื่นตรงกันกับตัวรับตัวคลื่นจะเกิดเสียง ผมอยากให้มองถึงเรื่องแค่เสียงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าขณะนี้เนี่ยวิทยุมีเสียงออกมาแล้วนะครับมีเสียงออกมาแล้วเนี่ยแต่ผมเองยังไม่ได้รับเสียงนั้นเลยนะครับะะผมเริ่มได้รับเสียงแล้วครับนะครับไม่ทราบว่ามุมทังท้ายห้องได้ยินเสียงไหมครั บ, รบสสนะครับแต่ถ้าผมเบาอีกหน่อยผมได้ยินเสียงตัวผมเองแต่ทา้งท้ายห้องไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาตั้งคําถามถามพ่อครูครับท่านผู้ชมครับ ถ้าเสียงนี้เป็นเหมือนเพลงเพลงก็ได้นะครับเพลงใดเพลงหนึ่งที่ปะกูแต่งเอาไว้ในอดีตครับในขณะที่เสียงนะครับมันเปิดออกมาแล้วแสดงว่าเสียงมันมาแล้วถูกไหมครับแต่เราเองเนี่ยเรายังไม่สามารถรับเสียงนั้นได้นั่นแสดงว่านั่นแสดงว่ากระบวนการการก่อเกิดการผัดสะยังไม่เกิดถูกไหมครับปะกูครจนกระทั่งเสียงมาถึงแล้วเราได้ยินเสียง พอได้ยินเสียงนั่นคือการเกิดผัดสะและกระบวนการของการกระทบกันนะครับทุกอย่างก็เริ่มเกิดแล้วใช่ไหมครับผมมีอุปกรณ์ด้วยนะครับไม่ใหช้านิดหนึ่งนชนะชนะอาจารย์วุฒิพงษ์แลเนี่ยอา <laughs> จารย์วุฒิพงษ์ก็มีอุปกรณ์คร <laughs> บไม่น้อยโอ้โหนี่ตั้งใจทําตั้งใจทํานะครับเสียงเสียงมันมีอยู่แล้วนะครับโค้ดที่เสียงนะครับเสียงมันมีอยู่แล้วนะครับ ในขณะที่เราเองเรามีหูอยู่แล้วถูกไหมครับพระครูครับแล้วขนาดเสียงมันมาชนกันปึ้งอมันคือเกิดผัสสะถูกไหมครับพระครูครับทวนช้าๆนะครับมันเกิดผัสสะนะครับปึ้งมันเกิดผัสสะผมให้เป็นสีเขียวพอเกิดผัสสะเสร็จปั๊บพอการชนในขณะที่ชนเกิดขึ้นถูกไหมครับมันก็มาพร้อมกันเลยถูกไหมครับพระครูครับนี่ผมถือไว้ก่อนสีเขียวตรงนี้นะครับท่านมาถือฮะครับช่วยกันทำมหากินนะ สัญญ า, ามันวิ่งมาเลยถูกป่ะครับระครูครับที่ประคุณสัญญา Luck, มันวิ่งมาถูกไหมครับสัญญามันบอกว่าเสียงมันมาถูกไหมครับในขณะที่ทอสัญญามันมาปับ๊บนะครับเวทนามันมาเลยถูกไหมครับมันมารวมกองกันเลยใช่ไหมครับสังขารันมาเลยถูกไหมครับใช่แล้วในขณะเดียวกันวิญญาณมันก็เกิดขึ้นทันทีเลยใช่อย่างนี้ถูกถูกต้องใช่ไหมครับครูครับนี่ผมพยายามอธิบายเป็นเฟรมต่อเฟรมนะครับครูครับ สามอันนี้ยังไม่เรียกว่าสังขารยังไม่เรียกสังขารอันนี้คือกายอันนี้คือกายที่ท่านตัสเอาไว้แล้วกายคือมวลแห่งเจตสิกธรรมของเวทนาสัญญาสังขารครับเนี่ยมันปรุงรวมกันปุ๊บป๊บปบนี่เห็นไหมฮะ น, น, นี่คือกายเป็นกายเป็นกายเป็นกายนะครับกายตัวนี้แหละคือนามมักายหรือรูปกายที่อาจารมาใช้คําว่านามมักายหรือรูปกายก็เพราะว่ามันยังเกี่ยวเนื่องกับรูปข้างนอกอยู่ อยูเรื่องกระเสียงข้างนอกรูปข้างนอกอยู่มันก็เลยเรียกได้ว่ารู ป, ปกายหรือนา ม, มกายถ้าจะเอานา ม, มกายเราก็ต้องมีเงื่อนไขว่าเราผ่านเข้ามาเป็นอุปาทายรูปถ้ามันยังอยู่ข้างนอกมันยังมีมหาภูทธ ร, รูปก็เรียกมันว่ารู ป, ปกายถ้ามันผ่านเข้ามาเป็นกายในกายเข้ามาข้างในแล้วโดยตัดมหาพูทธ ร, รูปออก มันก็จะมาเป็นนามกายอถ้าเราไปสัมผัสรู้มันอีกก็เป็นนามรูปรูปก็คือถูกสัญญาหรือปัญญาหรือวิญญาณหรือญาณธาตุรู้เข้ากำหนดรู้ตัวนี้ได้อกําหนดรู้เสียงหรือรู้รูปนะรู้รูปหรือรู้เสียงรู้กลิ่นอะไรก็แล้วแต่โอ้โหจริงจริมันง่ายนะธรรมเอนี้เขามาจะง่ายขึ้นเยอะเนาะอุปกรณ์พวกนี้ แต่อาตมามันไม่ขยันขนาดนั้น <c oughs> จ, จริงๆทํามานานแล้วนะครับเนต่างต่านะครับทีนี้พอพอมันเกิดปั๊บอย่างนี้นะครับก็ครับทีนี้ผมเอาเอาเอาเอาวิญญามาใหม่นะครับเสียงเขาเรียกว่ารูปเสียงเระตุ้นหูเขาเรียกว่ารูปรูปสิบภาพหรือรูปที่กําหนดตากําหนดสัมผัสรู้เขาเรียกว่ารูปเสียงกําหนดจนกระทบกับหูเขาเรียกว่ารูปกลิ่นกระทบจมูกก็เรียกว่ารูปล<อ>ิป้นกระทบกับลิ้นก็เรียกว่ารูป กายสัมผัสกับกายเขาเรียกว่ารูปครับทีนี้ผมกับพ่อครูได้ยินกันสองคนเพราะฉะนั้นพ่อครูได้ได้รับรู้รูปตรงนี้กับผมสองคนถูกไหมครับแต่หลังห้องไม่ได้รับรู้รูปถูกไหมครับยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นตรงนั้นคืออ่ารูปสําหรับเขาถูกไหมครับก็ถูกใช่อรูปนะครับตรงนี้แหละครับมันเป็นคําถามที่ผมพยายามจะหาคาําหาหารูปประทมมาถามจากเมสเซจที่ส่งมางครับ ว่าอารูปที่เขาก่อนที่ผมถามเมื่ออยู่ที่ปฐมโลกนั้นนนั้บอกว่าไอ้เสียงไม่ใช่อารูปแสงไม่ใช่รูปไม่ใช่นะครับเพราะว่าพอเรารับผมกับพ่อครูได้ยินกันสอคนถูกไหมครับได้ยินสองคนเป็นรูปนะฮะแต่สําหรับคนอื่นเนี่ยรูปเนป็อรมันเป็นอารูปอยู่เพราะรูปมันไม่ได้ไปเป็นไปเป็นรูปของเขาแต่มันเป็นรูปของเราสองของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับขาอธิบายต่ออีกในพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้ว่าทิพย์โสตเนี่ย แล้วก็ท่านเทียบก็ได้ยินเสียงของกลองมาแต่ระยะทางไกลเรียกว่าทิพย์นี่จึงมีความหมายว่าถ้าเผราอว่าคุณมีประสิทธิภาพทางจิตสามารถที่จะรู้ได้ของละเอียดหรือไกลก็สามารถจะมีพลังของจิตมีอำนาจมีวิสีที่เก่งสามารถรู้ไี้ไกลได้ด้วยก็จะได้ยินแม่เสียงที่อย่างมาทางไกลก็สามารถได้ยิน สองมันเป็นอรูปสำหรับผู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพยังไม่มีจิตที่แข็งแรงยังไม่มีทิพระโสทคุณไม่ได้ยินคนที่สามารถมีทิพระโสแล้วสามารถได้ยินแม่เสียงที่จะเดินมาจากทางไกลเป็นอรูปอย่างที่อาจารย์กฤษดาว่าและสามารถสูงไปกว่านั้นแม้ไกลก็ยังสามารถได้ยินหนึ่งสอง สามารถแยกออกด้วยว่านี่เป็นเสียงกลองนี่เสียงเปิงมงังนี่เสียงตะโพนอ่านี่เสียงบันดอกอะไรเงี้ยได้ยิออลักษณะนี้นี่มีเครื่องหมายสัดสอว่าเป็นเสียงกลองนะอันนี้คือกลองเรียกว่ากรองกองคื อ, อยังไงก็ต้องไปเรียนรู้อีกมันต่างกันนะกับเปิงมงังอ่าต่างกักับตะโพนต่างกับบันดอกเสียงกลองต่างๆนั่นคือความสามารถของผู้ที่มีทิประสง์ อ่าอย่างนี้จนอ่ารูป ร, รุ่นามที่สูงขึ้นครับทีนี้ต่อต่อนะครับถ้าผมเปิดเป็นเสียงเพลงให้ทุกท่านนึกถึงเพลงนะครับ <oder? S 1> เพลงที่มันเป็นเพลงนะฮะก็คือมีความต่อเนื่องของความเป็นเพลงนะครับในขณะที่เราฟังเพลงอยู่ในขณะที่เราฟังเพลงอยู่เนี่ยเพลงมันจะมีความต่อเนื่องของมันเองถูกไหมครับ <S <S ป้าครูครับนั่นหมายถึงว่าความต่อเนื่องของเพลงเนี่ย พอมาพอเราเริ่มได้ยินนั่นคือเรารับรูปแล้วถูกไหมครับแล้วรูปนั้นเข้าไป <l ittle> รูปก็คือเราสัมผัสพอเข้าไปข้างในของความรู้สึกของเราถูกไหมครับอมพอเข้าไปในความรู้สึกมันก็จะเป็นรูปภายในอืมใช่ไหมครับเป็นอุปทายปนยาลูปเพราะเป็นอุปทายาลูปเนี่ยมันก็เรากเกิดอาการไปยึดติดเพลงนั้นขึ้นมาถูกไหมครับยึดติดแล้วก็มีความรู้สึกบอกว่าเออไอเพลงนั้นนี่นะมันเกิดคือมันเกิดอาการเวทนาเกิดขึ้นคือเกิดเกิดสุข นะครับแต่เกิดสุขชอบยินชอบยินดีนะครับมันก็เลยอิทธารมอิทธาลมปึ้งเขาให้ใช่ไหมครับเพิ่นมันปรุงนั่นน่ะมัสังขารมันเป็นสังขารแล้วถูกไหมครับปรุงเป็นรถเป็นรูปเป็นรถกินเสียงอะไรที่มันเป็นแต่ในขณะที่เพลงก็ยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงจึงอยากจะมาฟังเพลงนั้นซ้ําแล้วทําอีกเพราะเพราะต้องมาเปิดซ้ําไง มันติดมันเป็นของติด ก, ก็คือต้องเอาเอาเพลงนันมาเปิดซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะว่า แ, แ, แ, แต่จริงๆแล้วเราฟังเนี่ยเป็นแค่ช่ว ง, ช, ว ง, ช, วงช่วงทงี่ที่มันเข้ามาไปตามช่วงช่วงตำหนองอใช่ไหมครับแต่กระบวนการของการนําพารูป เ, เข้าไปสู่ภายในเนี่ยกระบวนการนี้แหละบางทีแหละก็อย่างที่บอกว่าที่อื่นอาจจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดแต่พวกครูอธิบายรายละเอียดวันนี้ผมถึงต้องเอาเอาตัวอย่างรูปประทามคือสิ่งที่มันจับได้แล้วเราเห็นกันอยู่เนมามาซักถามพวกครูตรงนี้นะครับก็ก็ตรงนี้ ทีนี้ไอ้ความเป็นกายเนี่ยครับกระบวนการของความเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเนี่ยแหละครับผมเพิ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่ที่สําคัญนะครับผมจึ่งเอาอุปกรณ์มาวันนี้หลายหลายท่านเพิ่งเข้าใจก็เหมือนกันถูกไหมครับพระครูครับเหมือนแสงตะกี้เราพูดเสียงแล้วที่เหมือนแสง<อ>ใช่ไหมครับพรอครูกับผมเห็นแสงเท่านั้นเองเฉะนั้นการที่ผมกับ พ, พ่อครูเห็นแสงคื อ, อทั้งสอง คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเห็ น, นรูปของแสงแต่ท่านทั้งหลายที่อยู่ที่อื่นจะไม่เห็นแสงที่ผมเห็นมันแสงก็จะกลายไปเป็นอารูปสาหรับคนอื่นไม่ใช่แสงไม่มีไม่ใช่แสงไม่มีแต่มันมีแต่พวกคุณยังอารูปอยู่เป็นอารูปอยู่นะครับตรงนี้นะครับจะได้จะได้คือผมก็อยากจะเคลียร์ใจเหมือนกันกับ m เ s <c oughs> s เ g e ที่เข้ามานะครับว่า เพราะผมว่าข่าวที่แล้วผมเข้าใจในสิ่งที่พ่อครูอธิบายก็พอดีเมสเซจแย้งผมก็เลยอยากจะเป็นเป็นขอบคุณนะครที่เขาแย้งทําให้ผมมานั่งคิดต่อว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจเข้าใจจริงไหมจะมาทวนกันตรงนี้จริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมถึงพยายามยกทุกสิ่งทุกอย่างมาเพราะว่า อันนี้ก็คือสัมผัสก็ว่ากันไปปกติสัมผัสอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้กคือเรื่องของตาแล้วเรื่องของตาเรื่องของเสียงเรื่องของเสียงแล้วใช่ไหมครับจมูกจมูกก็เราก็ดอมดมแล้วก็ก็เห็นกันอยู่เด็ดมาได้ใช่ไหมอาตมาเด็ดไม่ได้อาตมาเด็ดจะข้าวผัดเขียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตบวนการในการนาพาทั้งหมดถูกไหมครับซึ่งนั่นทั้งนี้และทั้งนั้นผมก็ถือมาหมดเลยนะครับ ทั้งหมดมันก็จะเป็นห้าห้าด้วยกันถูกไหมครับมนุษย์เรามีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองถูกไหมครับมีแค่ตาหูจมูกดิ้นกายภายนอกภายนอกนะครับมีห้าภายนอกนะครับตาหูลิ้นจมูกดิ้นกายแล้วก็แล้วก็ใจภายในท่านั่นเองก็จะมีอยู่แค่นี้เองถูกไหมครับมันสี่ผ่านมาพ่อครูมักจะพูดถึงภายนอกภายนอกก่อนเสมอแต่ช่วงหลังมาพ่อครูอธิบายเรื่องภายใน นะครับเข้าสู่ภายในแต่พวกครูจะไม่พูดว่าไอ้นี่คือคืออายชตนะภายในแต่พวกครูอธิบายความเป็นภายในสภาวะของการรับสู่ภายในเลยแต่ไม่บอกว่านี่คืออายตนะของภายในนะแต่พวกครูไม่ได้บอกว่าอายตนะคือใจนะแต่พวกครูอธิบายว่าการรับมาเนี่ยรับออกมาเป็นยังไงเลยรับมาเป็นรูปเป็นนามลักษณะการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนนามเปลี่ยนกายรูปมันรูประกายนามกายเข้ามาเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนเหมือนจะทบทวนที่ผ่านมานะครับ เพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจพื้นฐานกันแล้วก็จะได้อให้พ่ครูนะครับอถธิบายเพิ่มเติมต่อในประเด็นที่ที่พ่อคูเตรียมอถธิบายต่อต่อเนื่องกันในในในวันนี้ครับครับ อ, อบาตมาได้อธิบายไว้ตั้งแต่เอคราวที่แล้วคืนเมื่อวานนี้ อ, อธิบายมาถึงสภาพที่อาตมาจะเน้นก็คือ เป็นเน้นเรื่องของนามและรูปหรือรูปนามที่อยู่ในบริบทของปฏิจสมุบาททท่านตรัสเอาไว้ว่าปฏิสมุบาทนี้ต้องอย่างนี้นะทวนอีกทีหนึง่งทวนแล้วทวนอีกยกมแห่มันไม่ง่ายเนะยาะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าชาติมีห้าอัตมาก็เดึนไปสักไกลก่อน ชาติมีห้าเป็นต้นเดี๋ยวจะเร็วๆหน่อยมีตั้งแต่ชาติสั้นชาติโอ ก, กันตินิพพติอภินิพพติเน ต, ต้องขอภปนะขอเร็วๆนะ่ยตอนนี้จะมาเข้าถึงตัวคำว่านามวารูปซึ่งจะไปยังไม่ถึงชาติชาติแล้วก็ทั้งหมไล่ไปถึงภพมีสามภพคือในบริบทคบปฏิสนุบาเนี่ยท่านก็ระบุว่าสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษามุก กล่าวถึงพวกนี ini, stock, ้นะต้องเกี uk, Filip, um, uk, um, e, ama, uk, ap, ่ยวข้องกับผู้นี้นะเกี่ยวข้องกับชาติห้าอย่างนี้นะพบเกี่ยวข้องกับสามพบนี่นะรูปแบบพบรูปแบบพบนะรูปแบบพบอูกการมาพบรูปพบรูปแบบพบนะสามพบนี้นะอุปทานก็มีสี่นะ่ะอุปทานมีที่ถุการมุปาทานที่ถูกปาทานที่ระเบิดปาทานอัตวัตุปาทานนะ ซึ่งต้องเข้าใจความหมายของพยัญชนะแต่ละคําแต่ละคํานี้ว่าอะไรชาติเป็นต้นสัญชาติเป็นต้นปกนติเป็นต้นนิพพติเป็นต้นอนภิิพติเป็นต้นมันหมายถึงสภาวะธรรมคือภาวะธรรมอย่างไรมันเป็นนามธรรมาและเกี่ยวกับรูปธรรมด้วยอย่างไรออันอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเข้าใจทางปริยัติหรือทางเ อ, อบัญญัติความหมาย เป็ภาษาความรู้เป็นทฤษฎีเป็นเหตุเป็นผล อ, อะไรไปก่อนนะหรือแม้แต่การมาพบรูปประพบรูปประพบมันคื อ, อยังไงเราต้องเข้าใจองค์ประกอบ ข, ของมันเสก่อนมีภาวะอย่างไรนะอุปทานสีทน่ที่ถูกการบุปผาทานที่ถูกปาทานที่แล้วถูกปาทานอัตวาทุปปาทานไปยึดกามยึดทิฐิความเห็นรู้ยึดลทัทธิ ยึดศีลพราวิธีปฏิบัติยึดได้แค่คําพูดเป็นอัตตาอัตวาอุปท า, านมันเป็นอย่างไรเราต้องเข้าใจก่อนแล้วก็ไปถึงไปปฏิบัติมันถึงจะเข้าท่าจากอุปาทานแล้วก็มาถึงตันหาตันหาท่านกํากับโดยอุปทานนสตันหาท่านกํากับว่าหกนะตันหาหกนะ ส่วนมากท่านจะพูดถึงตัณหาแล้วเราจะไปคิดถึงตัณหาสามการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิเพราะวตัณหาตอนนี้มันเป็นกิเลสตัณหาเป็นกิเลสเป็นสามตัวนี้เรต้องศึกษาเนี้ยแต่ในบริบทของปฏิสูบาที่คุณจะต้องปฏิบัติและเรียนรู้หกตัณหานะตัณหาหกนั้นไม่ใช่สามตัณหาสามทีเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เกี่ยวกับตัณหาสามจะเกี่ยวอ่าจะเกี่ยว แต่ว่าต้องรู้ต้องคลุมถึงตัญหาหกเป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวสําคัญเป็นตัวเหตุแรกก่อนอแต่ห้าหกคืออะไรตัญหาหกคือตัญหาที่เกิดจากทางตากระทบหูกระทบจมูกกระทบลินกายใจหกทวารนี่กระทบจะเกิดตัญหาเพราะเหตุของสิ่งเหล่านี้ทีนี้ไอ้ตัญหาที่เกิดทั้งหกนี่แหละมันก็จะเกิด ภาวะเวทนาเวทนาหกนี้ด้วยเราเวทนาจากตาหูจมูล ก, กลิ้นกายใจทั้งหกด้วยปัญหาเกิดเวทนาตัเกิดแตอย่างนี้ทีนี้อามารย์มเ ข, ขอขยายหกไปอีกนิดหนึ่งยังไม่ขยายต่อไปถึงพัฏหกอยายตนะหกวิญญาณหกจริงยังไม่ขยายแต่พูดนำไปแล้ว ก็ขอสรุปไปเลยมันก็ต้องใช้ทั้งทวารหกนี่เหมือนกันไม่ว่าจะผัสจหกอายตนะหกวิญญาณหกมันก็ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจึงต้องปฏิบัติจิตขึ้นรับวิถีหรือต้องเปิดทวารทั้งหกนะไม่ใช่ไปปฏิบัติปฏิจนณบานนี่อยู่นั่งหลับตาหรือแม้แต่สติปทานสี่ หรือแม้แต่อานาปานสติก็ไม่ใช่มานั่งหลับตานี่ขอขยายความไปตรงนี้ก่อนนะก็ลืมตาสติปทานสี่ก็ตามหรือมหาสติปฐานก็คืออานาปานสติก็คือลืมตาสติปทานสี่นั่นเองทั้งหมดเลยคำว่ามหาสติปฐานคำว่าอานาปานสติท่ากนกลัดรวมกันเอาไว้ในมหาสติปทานสูหรืออานาปานิสูงก็ ก็ตามถ้าไม่ได้ตัดทิ้งเลยทั้งคู de caminho, ่เป็นแต่เพียงว่าขยายอะไรมากถ้ามหาสติปัฏฐานก็ขยายแต่แต่กายก็ตาสติยาวอนาปานสติกนิดหนึ่งแต่ถ้าอธิบายอานาปานสติส <ical S 2> ูตรก็เอามหาสติปัฏฐานไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็เอาขยายอานาปานสติไปยาวสิบหกอย่างนี้เป็นต้นมันก็เน้นอะไรเท่านั้นเองในการอธิบายไว้แต่ไม่ได้ ไม่ได้ตัดขาดจากกันเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอนะในนี้เป็นต้นอัทีนี้พอมาถึงกํากับท่านกํากับว่าอันนี้หกหกหกหกหกก็จะขยายไปลึกซึ้งเข้าไปอีกโดยตัณหาก็ต้องไปถึงสามการมติหาเพราะวตัณหาทิ่พอวัตถนาก็ต้องเข้าใจและก็จะต้องปฏิบัติเป็นขั้นตอนจากการมตัิหาเพราวัตถนาจึงจะถึงวิพอวัตหาเป็นขั้นปลายนี่เป็นต้น หรือแม้เวทนาก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเวทนาท่านแจกเอาไว้ถึงร้อยแปดอนี้เป็นต้นเวทนาสองเวทนาสามเวทนาห้าเวทนาหกเวทนาสิบแปดเวทนาสามสิบหกเวทนาร้อยแปดามสิบหกสามสิบหกในอดีตปัจจุบันอนาคตสามสิบหกสามกาลนี้เป็นร้อยแปดอย่างนี้เป็นต้นมีความหมายอย่างไร มีสภาวะอย่างไรในความหมายต่างๆตัวนี้ถ้าเรียนปริยัติไม่ครบมันก็รู้ยากใช่ปฏิบัติมันก็ไม่เร็วมันก็คุมคุมเคลือดดนดนเดาๆรายละเอียดละออไม่ชัดเจนแต่ถ้าเรียนปริยัติไปเรียนภาษาคําอธิบายอะไรไปก่อนดีแล้วพอไปปฏิบัติก็อ๋ออันนี้มันเข้ากับคํานี้อันนี้มันเข้ากับภาษานี้อันนี้มันเข้ากับที่ตันระบุเรียกไว้ว่าอย่างงี้ มันจะพันกันยังไงมันอยู่หมวดไหนมันอยู่อย่างไรอาการเป็นอย่างไรอาการลิขานิมิตอุเทศเป็นอย่างไรฟังอุเทศไปแล้วฟังคําชี้แจงขยายความอธิบายไปแล้วเข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติ mm. ก็กําหนดรู้ตามนั้นใช้สัญญากําหนดรู้ตามนั้นได้นะดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคําว่ า, วาทีนี้คําว่านามคําว่ารูปหรือนามมารูปในปฏิสบตัติมีคําว่านามมารูป อภิชาสังขานวิญญาณนามะรูปอาตมาตั้งข้อสังเกตฟังอยู่ว่าไม่ใช่รูปน้ํานะนามะรู ป, รปแต่ปฏิจุบันนี้เขาเรียกว่านามะรูปค่าหรือแม้อาตมาตั้งข้อสังเกตในฟังว่าในอภิธรรมท่านกล่าวถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นนี้เป็นต้นครับคําว่ารูปคํานั้นมันไม่ใช่หมายถึงรูปขันนะ อ, อะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่า ซึ่งมันต่างกันมีนัยยะสําคัญต่างกันอยู่นะอะไรเนี่ยท่านเอาเอามาไว้ข้างในแต่รูปขันเนี่ยมันอยู่ข้างนอกขั้นที่หนึ่งเลยไอ้นี้เป็นต้นมันก็ต้องมีนัยยะสําคัญที่ต่างกันอยู่ในนัยยะสําคัญของมันถ้าศึกษาไม่ถูกต้องมันก็จาหมดผิดสัญญาอุประาชสัญญาผิดสัญญาพลาดไปได้อย่างนี้เป็นต้นอ่ะทีนี้ในข้อที่ท่านกล่าวถึงคำว่านามรูปอะปิญญาหกอะ สังขารก็มีกายสังขารจิ ต, ตจสังขารวิจสังขารไล่มาสักก่อนและก็มาวิญญาณหกในปฏิสุ บ, บาทเนี่ยแล้วก็นามารูปท่านไม่ได้ดตรัสรูปในข้อบ่ามีเท่าไหร่แต่ท่านแยกมาตรัสรูปว่านามารูปเป็นฉไนอ่านสู่ฟังอยู่ทุกทีคราวนี้ก็อ่านอีกเพื่อความยืนยัอนอ้างอิง ว่าตมาไม่ได้พูดเราเองเอามาจากพระเปดพอเลยก็ยังจาได้อยู่ว่าข้อสิบสี่ในพระธรรปิฎกเรื่องสิบหกนี้ในข้อสิบสี่ท่านก็ตรัดยืนยันว่านามรูปเป็นชนันามรูปนั้นข่าขเจ้าเรียกว่านามรูปเวทนานามารูปเป็นฉนเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะ มนสิกานี้เรียกว่านามคำถามนะว่านามมารูปเป็นไนคำจัดอกก็คือเวทนาสัญญาสัางขารไม่เปข้อแฝง ม, มีสังขารเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิกานี้เรียกว่านามทัดๆมันีกมีคำว่ารูปเข้าไปร่วมนะนาม ส่วรูปนั้นมหาพูทธรูปสี่อุปาทายรูปแต่ท่านแปลเลยในพระธรรินัท่านแปลมาทันทีว่าและรูปที่อาศัยมหาพูทธรูปสีแต่ในบาลีนั้นท่านตัดไปเลยว่าอุปาอปาทายรูปังท่านตัดคือท่านตัดว่ามหาพูตมหาภูตังเอ้ยมหาภูตนังน่นพูทธรูปเนี่ยมหาพูตนังอุปาอุปาทายรูปังน่นท่าตัดว่างั้น นะจะตุ น, นันจักจะตุ น, นันจักก็คือสี่เพราะฉะนั้นมหาภูตรูปก็สี่อุปาทายรูปก็ส <4. S 1> นะี่นนี่เรียกว่ารูปและท่านก็สรุปว่านามและรูปดังพันนา ม, มาชนี้เรียกว่านามรูปนะคือมันต้องค่อยๆมาอธิบายกันนะ สโลโมชนันถึงขั้น400เฟ ร, รมต่อวินาทีกายเงินเนาอะอัะอตมาจะเน้นดันนี้จะเน้นนว่าแล้วเวทนามันทํางานอย่างไรสัญญามันทํางานอย่างไรครับเจตนามันทํางานอย่างไรภัทรสมนทํางานอย่างไรมณสิกามันทํางานอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับมหาภูตารูปเกี่ยวข้องกับอุปาทายรูป อาตมาจะไม่พูดภาษาไทยเท่าไหร่ว่ารูปที่อาศัยมหาภูต ร, รูปสี่มันจะยาวงั้นอาตมารสรุปกันอุปาทายรูปเลยกันละกันอ่แล้วมันจะเกี่ยวอย่างไรอ่าจะเอาตรงนี้อมากาหนดแคบแค่เข้ามาตรงนี้จะอธิบายตรงนี้กันสให้ชัดๆ ด, ดูผู้ที่ศึกษาแล้วจะเกิดการความเป็นจริงในการปฏิบัติมีสัมผัสจริง สัมผัส น, นี้ท่านกำหนดไปชัดเจนเลยในตรงนี้ว่าเราจะต้องรู้นามรู้รูปหรือเรียนรู้รูปนามนะเราจะเรียนรู้รูปนามเพราะฉะนั้นเม่จะเรียนรู้รูปนามคุณจะรู้ได้คุณต้องมีนามบอกแล้วว่าไอ้รูปเฉยๆเนี่ยมันไม่มีวิญญาณคลองแม้มันจะเป็นผีชะ อ่เนี่ยอาตมาก็หยิบอุปกรณ์อุปกรณ์การสอนเัราอาตมาก็อยู่ใกล้ๆมือนี่แหละอะไรหยิบได้กด็หยิบแต่คุณเตรียมมาก็ดีมากอาตมาก็อาศัยพวกนี้ยมันเองมันไม่มีน้ำ ม, มันเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองมัน ม, มีทา่ารู้ถึงขั้นที่จะรูก้กําหนดรู้ได้อยุ่เพราะมันมันมีแค่สัญญากับสังขารแต่มันไม่มีเวทนามันไม่มีวิญญาณ มันไม่กรรมครองไม่มีวิญญาณครองท่านเรียกว่ายงั้นพวกอนุปาทินกาสังขารเนี่ยสังขารที่มันมันแค่ผีชนิยามเนี่ยมันไม่ใช่จิตนิยามมันต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านก็ใจแล้วเราก็จะไม่กังวลว่าโอ้แล้วไปกินพืชกินอะไรพวกนี้มันมันไม่บาปเออมันก็ชีวิตเหมือนกันนี่ไปกินเนื้อสัตว์มับาปกินนี่มันก็ชีวิตชีวาเหมือนกันอ้าวทิวะมันคนระดับ อสีวะที่ไม่มีกรรมครองมันไม่มีกรรมก็ค claro. ือมันไม่ได้มีวิบากกรรมมันจะต้องมารับใช้กรรมไปกรรมมามันไม่อมันไม่มีวิญญาณที่จะต้องยึดเยยึดเป็นเราเป็นของเรายึดรักยึดโกรธมีรักมีโกรธมันไม่มี่มันจะพยาบาทคนกินมันไม่มีอเพืชพันธยญญาหารไม่ได้บอกไยก่อนเมื่อกี้เพราะมันไม่ได้มีเวทนามันไม่ได้สุกข์ไม่สุกมันไม่ได้ผลกไม่ได้ดูดอะไรใครจะมา จะผัดมันจะมาทำร้ายมันจะมาแยกขันมันแยกข้างขาหนมันแยกร่างมันก็ตามมันมันไม่มีท่ารู้ที่จะมีประสิทธิภาพถึงขั้นที่จะรู้เหมือนสัตว์สัตว์ขึ้นไปก็เริ่มรู้แต่สัตว์ชั้นต่ำนีส่ก็รู้แบบไม่ประษีภาษาเหมือนกันก็ไอเด็กไม่เรียงสาเนี่แหละไม่เดียงสาเท่าไหร่สัตว์ชั้นตามมีเซลล์เดียวสองเรยมมันก็อีินโอยเนอะไรไม่เพราะฉะนั้นไอเริ่มจะเป็นสัตว์แล้วแบคทีเรียต่างๆเป็นต้น ไปเลยพวกติดถือจัดทั้งนั้นกินเอยาฆ่าอแบคทีเรียฆ่าทีพิพิบติอฆ่าไอ้กลือไก่เชื้อโรคอะไรพวกนี้มันก็ฆ่าสัตว์ที่เอาตัวให้สัตว์มันเชื้อโรคมันกินคุณตายกันเลยกันเกินไปมันยังไม่มีภาวะที่จะต้องพยาเย็บบาดหรืออาฆ่าหรืออะไรอะไเพราะว่าสภาวะของพวกนี้มันยังต่ำมากมันยังไม่อิโรยเหนือะไรหรอกนะมันเหมือน ยิ่งกันเด็กไม่เดียงสาภาวะกระงเล็กน้อยแต่จริจริงเนะี่ยมันเทียบก็ไม่ได้นะเด็กไม่เดียงสาเนี่ยมันยังมีภาวะที่ยิ่งกว่าสัตว์ชนิดมันอาฆาพยาบาทได้แล้วนะเพราะั้นเด็กอาาพยาบาทได้ที่อัจมาเทียบเนี่ยเทียบแต่เพียงความหมายนะอย่าไปเอาว่าโ อ, อ้เด็กมันงั้นทำร้ายเด็กก็ไม่บาปทีไม่เดียงสาไม่ใช่นะ <c oughs> เด็กเนี่ยมันโตมันมีภาวาะทางจิตนิยมสูงกว่าสัตว์มีพยาบาทมีรั ก, ม, รกมีโกรธมีโลภมากกว่าสัตว์ ตีระดับเซลล์ระดับสูงพอสมควรนั้นเี่ยไอ้อย่างเซลจะต่ำจริงๆเนี่ยธรรมศาสตร์มิตรจะอธิบายไงเพราะมันเยอะมันมากเลยเกินก็คืฟังเหมืนกันเลยกันนะอาทีนี้มาเข้าสู่รายละเอียดนะเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรเจตนาคืออะไรปัตปทคืออะไรมรณสิการคืออะไรทั้งห้าคำนี้ต้องเข้าใจความหมายพอเวลาเราปฏิบัติธรรมเราจะต้องมีองค์รวมเรียกว่ากายโยกายะสะ่ว อ, องค์รวมของนามเรวยกว่านามกาย นี่แหละเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนติการเนี่ยทั้งห้านี่มีองค์รวมนะมีองค์ประชุมก็มันทั้งห้านะหนึ่งมันมีผัสสะตามที่ได้กำหนดไปแล้วสองมันมีสัญญามันมีการกำหนดรู้ในผัสสะคุณต้องมีสัญญาคุณต้องสร้างคุณต้องมันธรรมดาธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วสัญญาทำงานแต่คุณไม่ได้ศึกษาคุณไม่รู้มันทำงานอัตโนมัติ ถ้าคุณศึกษาแล้วคุณก็จะกาหนดว่าอ้ออาการต้องรู้นามาทําพวกนี้ได้เดีย๋ยอาการนี้แค่นี้ไม่อุเทศอื๋ออาการอย่างนี้เป็นสัญญาครับมันมั น, ม, นมันตามกําหนดรู้แม้มันจะรู้ข้างนอกมันก็มากําหนดรู้นีก่นก็ทอนอ่าดดอกอะไรมันดอกอะไรดอกแก้วเหรอไม่ใช่ด อ, ดอกพุทธดอกไม่ใช่ดอกไม่ใช่โมก ไม่ใช่โมกอพุทธอะไรนะพุทธพิชยาออพุทธพิชยาเลยโอ้โหชื่อเพราะแม่ชื่อยาวเย้ยเลยนะเราก็นี่อย่างวินต้นคือเราก็กำลังรู้อ่าเอาอย่างนี้ดีกว่านี่แม่ไอ้ตรงนี้มันซับซับซ้อนนี้อันนี้แก้มังกรนี่ตันอ้าวมันรับรักาวไม่ได้กันล้วงหมดเวโครเดี๋ยวโคมอ้าพอเอาอย่างนี้ดีกว่าเอานีก็ติ ออุปกรณ์ที่ไม่เตรียมพร้อมแต่มันมีอยู่ในนี้ไอ้นี่ก็ะท้อนี่ก็ติกมันก็เป็นรูป อ, อยู่ข้างนอกกําหนดรูทำผัดรูกําหนดรู้เกี่ยวเนื่องเข้าไปสั้งข้งในทีนี้นามเฉพาะคําว่านามนามเฉยๆกับนามมารูปต่างกันอย่างไรนามมารูปก็คือรูป ที่ถูกรู้ด้วยนามรูปคือสิ่งที่กำหนดรู้ไปกระทบรู้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปกระทบรูปข้างนอกเรียกว่ารูปป่ารูปปังเป็น ร, รูปป่ารูปคุณกระทบอันนี้รูปอันนี้รู้มันก็เป็นองค์ประชุมของนามนามคือตัวจิตคุณมีจิตเป็นนามมันไปกระทบบอกแ่้ยว่าให้กระท้อนมันมากระท่องกระติกเนี่ยมันไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่มีนาม แต่ทบกันยังไงมันก็ไม่มีนามารูปไม่มีนามกายนี่ไม่เกิดนามารูปหรือเกิดนามกายต่อให้มันเป็นชีวะกระท้อนกระทบกระแก้วมงกรงแ้้มงกรงมันก็เป็นพีชะไอ้นี่กติมันเป็นอุตุนิยามแนนอนมันไม่รู้เรื่องกระท้อนมันเป็นพีชะมันมีชีวะหน่อยอ่าแก้มงกรมันเป็นชีวะให้มันกระทบกับแก้มงกรมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่มีวิญญาณมันไมีธาตุรู้ อขยายเองนิดพ่อครูเอา้เอาอันนี้มันเหมือนธาตุแข็งครับผมเปิดวิทยุให้พวกนี้ฟังมันไม่รู้เรื่องถูกไหมไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะแต่มีคนก็อบอกนะบอกโอ้โหนี่เปิดให้นี่ต้นไม้มันฟังโอ้โหมันเจริญเอาเจริญเอานี่ยเขาไปบ่ากนันอย่างเงด้ น, เนะเข <c oughs> ามีคนบอกโอ้โหนี่เขาเปิดเออเพลงให้พวกนี้ฟังแต่แม้ต้นไม้เราเนี่มันฟังเพลงคลาสสิกนะอ่าอันนี้มันฟังเพลงแจ๊สโอ้โหไปนู่นเลย ก็แล้วแต่ใครจะใครจะว่าไปกมันก็เป็นไปได้คนจะเห็นว่าจริงอัตมาไม่พิสพากษาว่าจริงไม่จริงแต่อาตมาเอาตามหลักวิชาพวกมิปัญญานะมันไม่มีวิญญาณมันจะรู้ได้หรือมันไม่มีมันก็อาจจะมีสัญญากําหนดรู้อะไรของมันก็ได้มั้งแต่ทางปฏิกิริยาทางฟิสิกส์เนี่ยอย่างเขาเขา่ิสูจน์กันหรือเขาพยายาม่จาะปัญญาถึงขั้นน้ํานี่นะที่จริงน้ํำนี่มันไม่ใช่พีมันไม่ใช่พีชะดยซ้ํานะ มันไม่ใช่ผีช้าด้ซ้ํามันแค่อุตตุกด้ยซ้ําไปแค่มหาพุทธรูปน้ำเขาก็บอกว่าเขาไปทํามันรุนแรงน้ํำมันก็จะโอ้โหเขาสแกนอะไรอ่ะมันอายคอนมันออกมาถ่ายออกมาได้เลยนะรูปมันจะสวยมาเป็นรูปเป็นดอกที่ต่างกันถ้าเผื่อว่ามันไปไม่สุภาพก็มันเรียบร้อยโอ้โหมันจะไม่รูปเป็นดอกที่สวยอทำไปทําเป็นแรงรุนแรงก็มันไม่สุภาพ มันไม่สวยนะอะไรงี้เขาก็วิจัยกันมีอะไรหลักฐามนมายืนยันถึงขนาดนั้นซึ่งอาตมาเข้าใจนะเชิงฟิสิกมันก็เป็นได้เชิงวิสิต ก, ก็เป็นได้ถ้าเป็นรูปเป็นสภาพพวกนี้เป็นได้แต่มันไม่ใช่น้ำเพราะฉะนั้นมันก็เข้าใจรูปและนามไม่ชัดว่านามคือธาตรู้มันธาตุในขั้นนามนี่คือจิตนิยามขึ้นไปใช่ไอ้เมื่อกี้นี้เราพูดถึงนามนาก็มีสภาวะที่ต่างกันอื แตกต่างกันได้เชิงฟิสิกมีรูปมีสภาวะที่สังเคราะห์กันอยู่เกาะกลุ่มกันอยู่หรือว่ามันสัมพันธ์กันอยู่ด้วยลักษณะไหนไหนในหนมีทั้งรูปร่างมีทั้งอะไรที่มันเกาะเกี่ยวกันที่ขยายขึ้นมามันก็เป็นได้อะตมาไม่ไม่ไม่ไม่ได้เสียงไม่ได้ไม่ได้งงอะไรอแต่ต้องแยกนามคือธาบรู้ hmm. เกิดอุ ป, ปาทินัะสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองมันต่างกัน อนุ ป, ปาตินากาสังขารที่สังขารไม่มีวิ ญ, ญญาณคลองนี้เป็นต้นคือประเด็นที่สําคัญก็คือตัววิ ญ, ญญาณซึ่งจะเป็นตัวรู้ถูกไหมครับพระครูสัพพสิ่งทั้งหลายที่เป็นรูปโดยทั่วไปก็คือโลกเนี่ยเรานึกถึงโลกเนี่ยนะครับมนุษย์ที่ยังอยู่ในท้องในท้องมารดาเนี่ยที่ยังไม่คลอดออกมาเนี่ยแต่อย่าลืมนะว่าเขามีชีวิตอ๋องครบแล้วเีขามีวิญญาณอยูเนี่ยผมกําลังจะบอกว่า ตัวเขาเองเนี่ยเขาอยู่เพียงแค่สัมผัสโลกของเขาก็คื อ, อแค่คันถูกไหมครับ้แต่เขายังไม่สัมผัสกับโรคที่เป็นที่เป็นเวร์เป็นโลกโลกใบนี้แต่โลกใบนี้มันมีทุกอย่างตรงนั้นเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมา่อเขาคลอดออกมาจากจากคันมารดาเขาเนี่ยเขาก็จึงได้สามารถใช้กระบวนการของอยายุรนะทั้งหมดได้ครบถ้าเขาครบสาสิบสองประการถูกไหมครับตรงนั้นเนี่ยปัจกัยที่พ่อกูอธิบายก็คือ ต้องการที่บอกว่ากระบวนการของความเป็นไปของสรรพสิ่งทั้งหลายพวกเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีวิญญาณครองคือไม่ได้มีตัวรู้เพราะฉะนั้นมื่ไม่มีตัวรู้มไม่มีวิญญาณครองเนี่ยก็ย่อมที่จะแตกต่างจากที่พวว่อครัวอธิบายความนี้เพราะงั้นต้องแยกมหาภูตารูปออกก่อนว่าเป็นธาตุดินน้ำฝ่ายลมข้างนอกส่วนข้างในเมื่อกี้เราพูดถึงนามรูปถ้ามันเกี่ยวข้องกับมหาภูตรูปมีองค์ประชุม คำว่ากายะกายโยคำนี้เนี่ยมันหมายถึงองค์ประชุมของรูปและนามต้องเข้าใจตรงนี้อย่าให้เพี้ยนเชียวเพระาะฉะนั้นเมื่อคําว่ากายเกิดขึ้นเมื่อไรมันเกี่ยวทั้งรูเรนามครับำว่ากายเนี่ยมันเกี่ยวทั้งรูปเรนามถ้ามันกระทบรู ป, ปะรู ป, ปังกระทบกับไอ้มหาภูตา ร, รูปข้างนอกมันจะมีการเกี่ยวพันกับตัวรูปข้างนอกเอยเนื่องเข้าไป แต่ถ้ามันไม่เกี่ยวกับรูปป่ารูปปังข้างนอกแล้วมันไม่เป็นรูปมันเป็นรูปมันไม่ใช่รูปป่ารูปมรดการไเป็นนา ม, มารูปอืมนา ม, มารู่มันก็หมายความว่านี่แบ่งแยกออกไปแล้วนะว่าเราตัดคําว่ารูปป่รูปรรปังนี้ออกมาองประชุมของนามข้างในเพราะฉะนั้นองคประชุมของนามข้างในจึงคือนามนามในปฏิสุบบาทท่านกําหนดไว้มีอะไรบ้างนาม เบตนาสัญญาเจตนาผัสสะมนัิการห้าสนรูปรูปารูปังนั้นมีมหาภูตรูปและอุปาทายรูปเพราะฉะนั้นอุปาทายรูปเมื่อสัมผัสแล้วเป็นมหาจากมหาภูตรูปเข้าไปข้างในมาเป็นกายในกายต่อมาจากมหาภูตรูปมามาเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเชื่อมเข้ามาอื เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะระลึกแม้เราเองเราจะไม่ตากระทบรูปเราก็ระลึกถึงเฉพาะรูปตาแล้วกระทบโดยใช้สัญญาจำระลึกออรูปกระท้อนอ่ารูปมังกรเจ้ามังกรรูปอะไระต่างๆในนารูปกติกรูปอะไรนั้นเราก็ระลึกได้ครับปั้นขึ้นมาอเนรมิตขึ้นมาครับ สร้างรูปนั้นอะที่จำได้เป็นรูปนั้นโอโหเป็นนักสเก็ตภาพยิ่งกว่าหรือมันนักสร้างภาพยิ่งกว่าพวกที่ทำงานอยู่กับกองปราบนะก็จะต้องมีตำรวจท <c oughs> ี่สเก็ตเอาบอกมาแล้วก็สเก็ตตามเลยนะนี่สร้างภาพได้เราก็นแต่ละคนมันก็มีธรรมชาติที่สร้างภาพตรงนี้ได้ <c oughs> เป็นกายในกายได้แต่ เ, <c oughs> เรื่องไหมเรื่องแล้วก็จา ม, มาจากข้างนอก <c oughs> แต่ถ้าคุณไม่จํามาจากข้างนอกคุณไม่ไอะไรข้างนอกเลยคุณสร้างเองเลยนะอืมนิรมิตเองเลยอ่าสร้างเองเลยนิรมิตเองเลยนิรมาณกายขึ้นมาเองเลยเป็นองค์ประชุมของกายเป็นนามมารูปขึ้นมาเองอก็ได้ครับคือมันอาจจะไม่มีเลยในโลกนี้ก็ได้ ข, ขอยกตัวอย่างนิด ห, หนึ่งพ่อครูครับวันนี้ที่ผมเอาเสียงมาเน้นเนี่ยเพื่อให้เปลี่ยนจากจับสภาวะของแข็งนิดหนเหมือนร้องเพลง อะนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราเราร้องเพลงเนี่ยเราไม่ได้มีดนตรีประกอบนะครับแต่คนที่ร้องเพลงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกท่วงทํานองอยู่ภายในแล้วก็พยายามร้องเพลงตามท่วงทํานองนั้นตามท่วงทานองนั้นที่เราเก็บท่วงทํานองเนี่ยเมมโมรี่เราเก็บไว้เหมือนเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เก็บไว้เนี่ยมันเป็นความเรื่องมาแล้วก็จินตนาการตามเมมโมรี่ถูกไหมครับแล้วก็ร้องเพลงร้องเพลงไอ้นี่แหละคือคือสิ่งที่ ที่พรอครูอธิบายก็คือมหาพุทธรูปมันเข้ากะไปแล้วกลายเป็นอุปาอุปาทายาลูปเข้าเข้ า, เ ข, า, เ, ขาเข้ามาก็ยังเป็นรูปอยู่ถูกไหมครับเป็นรูปคือเป็นตัวที่มันไม่ใช่ตัวรู้ ร, รู้จรู้มันเป็นตัวถูกรู้อเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มาถ้าเรายังไม่ไปกำหนดรู้มันมันก็สร้างได้ สร้างโดยอวิชามันก็เป็ น, นทุกรูปอะไรมันจะสร้างมันก็สร้างไป ค, คุณไม่ได้ศึกษาคุณก็สร้างคนก็สร้างทุกคนโดยธรรมชาติมันก็สร้างอยู่แล้วปาดฝันไปวาดเพราะเท่าผ้าไปเนรมิตไปไม่เคยมีก่อนเนรมิตขึ้มาใหม่เอเคยมีก็จําได้กับเนรมิตคือในใจตัวเองขึ้นมาระลึกขึ้นมาเองไปมันก็เป็นองค์ประชุมของภาพองค์ประชุมของรูปองค์ประชุมของเสียงองค์ประชุมของกลิ่นองค์ประชุมของรสองค์ประชุมของ สัพพเย็นรอดอ่อนแข็งเสียดสีอะไรก็ตามใจของคุณทุน่นจะนึกขึ้นมาได้ทั้งนั้นครับแต่มันก็ถูกเรารู้ครับจึงเรียกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นนา ม, มารูปครับทีนี้ต่ออีกนิดหนึ่งครับพราะครูเคยอธิบายเรื่องนี้มาผมจำคำพูดนี้ได้เช่นกรณีของผมบอกผมมองเห็นพระอินทร์ผมคุยกับพระอินทร์ได้ออมาทันสมัยจังใน ย, ยกุอยั่งยืงนปัจจุบันกําลังมีเรื่องในสังคมนักคนก็พระอินทร์ได้ออ พราะผมก็เจอผมมีพระอินทเป็นเพื่อนผมมีพระนารายณ์เป็นเพื่อนเพราะพระอินผมก็จะเป็นพระอินของผมอืเพราะจากจากเมื่อกี้ถ้าถ้าอธิบายทฤษฎีเมื่อกี้จู่ไหมครับเพราะพระอินผมก็จะไม่ให้ของพระอินในดำในคําในขาวคนลพระอินกันเพราะมันเป็นมันเป็นเรื่องของของใครของมันซึ่งตรงนี้แหละนอขงต โดยตนเองของตนเองเอโกเอกะของตนไม่นจะเไม่เกี่ยวกับใครไม่เคยของใครครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นการที่ประกวดาอธิบายมาช้านานแล้วต่อเนื่องว่ามันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้ที่บางคนบอกว่าไปเจอพระพุทธเจ้าไป อย่างั้นมันมีเรื่องจริงองนี่ที่เป็นอย่างนี้อยู่ทุกไหมครับมันเป็นเรื่องเฉพาะตนที่คุณคุณอุปโลกในมโ น, โนขึ้นมาจากกระบวนการตรงนี้เกิดขึ้นแล้วสร้างมาตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็คิดว่ามันเป็นสัมผัสก็คือเอาม โ, โนไปสัมผัสก็คือจริงๆนั่นแหละถ้าเอามาตรงนี้มาเป็นเเคสศาก็คือเขาเนี่ยถ้าศึกษาธรรมตรงนี้จะเห็นว่าอ๋อไอ้นี่มันเป็นรูปที่ที่ตัวเองไปมอ ง, องเห็นในความของต<อ><อ>น<อ>งไม่ใช่ของคนอื่นคุณอาจจะกําหนดรูปร่างคล้ายกันอ่ตาตาคือกาหนดเหมือนกันหน้าคล้ายๆกัน แต่เมื่อกําหนดขึ้นที่ของใครของมันที่ใจใครใจมันกําหนดขึ้นเป็นมโนมยภาพตาของใครครับเป็นรูปที่สําเร็จด้วยจิตของใครของมันเสร็จแล้วมันก็เป็นของเราเป็นของเราครับคุณจะพูดว่ามันจะต้องงี้นะมันโค้งตรงนี้มันเออเหลี่ยมตัวนี้มันยาวตรงนี้มันกว้างตรงนี้มันมนตรงนี้มันแหลมตรงนี้มันทู่ตรงนี้ครับก็กําหนดไปตามตามที่จะกำหนดแต่เวลาไปสร้างขึ้นมาแล้วมันคนละกายอืคนละองค์ประชุมของภาพที่ได้ นี่แหละคือเอวิญญาณทิฏฐิข้อที่หนึ่งหรือสัตวว่ า, าข้อที่หนึ่งกายต่างกันสัญญาต่างกันเพราะฉะนั้นนี่ยงไม่เลยกําหนดมาดิเรียนรู้กันเลยสัญญาต่างคนต่างกําหนดแน่นอนเละทุกเละบอกว่าสัตว์นรกนรกกันคุณก็ไปปั้นไปสร้างนคลนละนรกตกนรกกันคนลนรกของใครของมันสวรรค์ก็คนของใครของมันโคนลสวรรค์กายคนละกา ย, กายานอายนาณาตากายโย มันมันอย่างเดียวกันมันคนละกายคนละนานะต่างต่างกันไปคนละอย่างคนละอันจะเหมือนกันขนาดไหนมันก็คนละอันอื่ามันเอกจจรังของใครของมันเดียวเดียวเดียวเดียวเอกะของตนของตนเอกกจรังคุณจะไปยังไงคุณก็เป็นของคุณอ่ะนรกกัของคุณสวรรค์กัองคุณเราไปกับคุณอยู่กับคุณเอกจรังมันไม่เกี่ยวกับใครหรอกอ่าทีนี้แม่มันละเอียดอ่อนเนาะ อย่างที่หนึ่งคุณจะต้องปฏิบัติตามพระเจา้าตามพระพุทเจ้ากํากกหนดแล้วว่านามคุณจะรู้นามคือแม้คุณจะรู้รู้เพราะคุณจะรู้ได้คุณเป็นนามคุณเป็นนามคุณก็มีธาตุรู้ไปรู้รูปรูปเองมันไม่มีสิทธิ์จะไปรู้อะไรครับเพราะฉะนั้ น, นต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดอีกมารู้ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งยยอย่พูดซ้ำย้าๆอยา่เนี้ยนะเพราะนั้นนามมันจะต้องมีผัสสะ จะเรียนรู้นามรูปคุณทิ้งกันไม่ได้ทิ้งรูปไม่ได้คุณจะต้องมีภาษารูปคเพราะฉะรูปจะเป็นรูปทังตาทั้งหูจมูกดิ้นกายอะไรก็ตามแต่ข้างนอกเรียกว่าพรหิทธารูปานิปัสสติในมุทวิโมกในมุทวิโมกข้อที่สองคุณจะต้องไปสัมผัสมันปัสสติต้องเห็นด้วยภาษาอัตถวิโมกเคกายเยนะปุถิตวะ ยหาดตนะิคุณจะต้องสัมผัสเห็นมันอยู่ปัจจุบับนนั้นตาคุณไม่กราทบรูปแล้วหายไปรูป ร, รูปก็ไม่มีให้คุณสัมผัสแต่คุณสามารถมีรู ป, ปกายสามารถมีรู ป, ปกายคุณจำคุณจำรูปนั้นไปเป็นนา ม, มากายของคุณเพราะนั้นนา ม, มากายที่คุณลึกถึงรูปนั้นคุณก็จำรูปนี้มา ก็เป็นรู ป, ปกายที่อยู่ในนา ม, ม ก, กายของคุณเป็นองค์ประชุมที่นามคุณระลึกรู้อยู่<ม>แล้วคุณก็ติดเอารูปไปเป็นอุปาทายรูปอ<ม>ืเป็นรูปที่ติดมาจากเชื่อมมาจากข้างนอกไม่ใช่รูปนิมิตเองมไม่ใช่รูปสร้างขึ้นมาเองแต่ถ้าคุณตาละจากสัมผัสแล้วคุณก็มีกายในกายคุณก็มีรู ป, ปกายที่นา ม, ม ก, กายที่เป็นนามมกการูป หรือนาม ก, กายที่คุณไปะระลึกถูกะระลึกถึงะระลึกรู้ครับเพราะฉะนั้นไอ้ความจริงที่เป็นจริงสดส ด, สดหลัดหลัดวิหรติรต้องสําเร็จอิริยบทอยู่แต่อยู่มีภาวะจริงอยู่ตรงนี้เนี่ยกับที่คุณผ่านไปแล้วมันไม่มีภาพสัมผัสแล้วมันมีการสัมผัผสภัสจะมันขาดไปแล้วเนี่ยมันมีเนื้ยะสองคนทีต่างกันครับทีนี้ตก<ส>ต่างกันแห่งต่างกันถามพระครูครับ ท่านผู้ชมครับผมก็ถือห้าอย่างพร้อมกันก็คือตาหูจมูกนะครับตาหูจมูกลิ้นนะครับต้องรบกวนช่วยทำความเข้าใจตาหูตาหูจมูกลิ้นโรสกายนะห้าอย่างนะฮะห้าห้าอย่างนะครับอาจจะสัมผัสีนิดนึงตรงกลกับตานะครับกําลองนี้ต่างกัอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันอยู่ภายนอกเนี่ยมันก็มีห้าอย่างเหมือนกันนะครับก็คือ กินรูปรสกลิ่นเสียงวัตถุสิ่งของถูกไหมครับนี่คือภายนอกที่พอปั๊บปับกันผมมาปั๊บกันนะครับมันก็เป็นคู่กันสัมผัสนะครับพรผมเช็คว่าปั๊บเนี่ยแล้วเกิดเสียงเห่นไหมฮะก็คือผัสสะมันเกิดขึ้นถูกไหมครับผัสสะมันเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปั๊บกระบวนการของความเป็นน้ํารูปก็เกิดขึ้นทันทีเพราะเพราะมันเกิดแล้วนะครับทีนี้อย่าลืมว่า อายตนะนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ห้าแต่มีอายตนะอีกหนึ่งก็คือหกก็คือใจใช่ไหมครับก็คือใจคือหัวใจคือใจนะครับใจใจใจนะครับหัวใจหัวใจเนี่ยฮะใำไมแม่เอหัวใจเหลืองเล่าหัวใจขาวก็ยังหัวใจกลางทีนี้เสร็จแล้วป้ากฏว่าเราถ้าทฤษฎีนั้นสิ่งที่ผมเช็คว่าทฤษฎีทฤษฎีบอกว่า ทุกอย่างนั้นเกิดจากอายัดนะถูกไหมครับแล้วก็เกิดกระบวนการของมีการผสาัสสะเพราะฉะนั้นเมื่อใจเป็นอายัดนะกระบวนการของใจที่มันเกิดขึ้นเป็นอายัดนะด้วยก็ย่อมมีผสัสสะเคลื่อนประคิบปรทีปที่พระกูอาจารยบายก็คือนั่นคือผัสสะที่อยู่ภายใ น, นถูกไหมฮะมันเป็นอายัดธนาในฮะเพราะมาใจมันคืออายัดใม<น>ัใ น, น<อ> ก, ก็จ ะ, ะเป็นผัสสะภายในเพราะืั้นตรงนี้แหละ ถึงจะมาอธิบายตะกี้ที่พวกผู้บอกองค์รวมของนามากายก็คือมีเวทนาสัญญาเวทนาและผัสสะก็เลยจะงงว่าเอ๊ะผัสสะมันไปอยู่ผัสสะข้างในได้ยังไตงตะกี้ที่ผมยกตัวอย่างว่าผัสสะมายังไม่ขาดไงเฉย์จะมาเมื่อกี้กพยายามเน้นอยู่ว่าเมื่อ ย, ยังไม่ขาดจากตากระทบรูปอยู่หูกระทบเสียงอยู่จมูกกระทบปีนอยู่หลัดๆตอนนี้ยังไม่ขาดมันก็เป็นกายในกายที่มันเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์ครบชด แต่ถ้าคุณละไปจากสายตาแล้วครับเสียงก็ละขาดไปไม่มีเสียงแล้วคุณปิดวิดุจยุแล้วแต่คุณจําได้คุณก็เป็นนามารูปที่ถูกรู้ได้คุณระลึกขึ้นมารู้ได้หรือคุณจําไม่อยู่คุณจําไม่อยู่ขณะนี้ระดับสะ่านมาเมื่อกี้คุณก็ยังจําไม่อยู่ยังไม่ขาดการจําตอนนี้ถ้าขาดการจําไปแล้วคุณต้องระลึกขึ้นมาใหม่ใช่ัหมระลึกขึ้นมาใหม่ว่ามารู้อันนี้ขาดการจำตอนนี้มันต่อเนื่องมาฟั้งอยู่เนี่ย เพิ่งดับเสียงไปแต่เสียงมันยังระลึกจําต่อเนื่องมาอยู่ก็ได้นะหรือคนละตาไปคุณก็ยังจําภาพนี้ตามคือความจํามาอยู่ก็ได้แต่มันไม่ไม่สดแล้วไม่ส ด, ม, สดมันเป็นสัญญาแล้วเป็นสัญญาความจําหรือกําหนดรู้สิ่งที่กําลังลึกถึงอยู่มันไม่ใช่สดมันไม่ใช่ความผัสสะเพราะฉะนั้นการระบุลงไปพระเจ้าตรู้ว่าเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะ ถ้าไม่ได้บอกให้ทิ้งผัสสะแต่ถ้าได้เรียนผัสสะที่มันต่อเนื่องเป็นอุปาทายรูปได้น่ะมันจะได้ละเอียดไปหมดโดยชัดเจนทีนี้มาขยายความต่อครับเมื่อมีผัสสะคุณก็จะรู้สึกได้ในวเวทนาเมื่อมีเวทนารู้สึกได้น่ะในนี้สังเกตให้ดีว่าท่านไม่มีคําว่าสังขาร ถ้าไม่มีคำว่าสังขารละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าแล้วเวทนาที่ว่านี้คุณเวทนาอะไรล่ะเวทนาสุขหรือเวทนาทุกขหรือเวทนาเฉยเฉยเวทนาสามเป็นเวทนาอย่างไรนะเมื่อคุณเกิดเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเป็นอย่างใดมันก็เป็นอย่างหนึ่ง มันจะเป็นอย่างใดมันก็เป็นอย่างหนึ่งมันจะสุกกระสุกมันจะทุกข์กระทุกมันจะเฉยเฉยก็เฉยเฉยอย่างใดอย่างหนึ่งคนก็ต้องมีสัญญาธาตรู้ของตนเองเป็นเจตสิกตัวหนึ่งเนี่ยกําหนดรู้ว่าอ๋ออาการอย่างนี้คือเวทนาอาการอย่างนี้คือสุขเวทนานี้มันสุขนะตอนนี้มันสุขนะหรือเวทนาตอนนี้เออมันทุกนะมันทุกนะหรือตอนนี้มันไม่ทุกข์ไม่สุขมันเฉยเฉยนะ คือก็ต้องกำหนดรู้ความจริงตามความเป็นจริงที่มันเป็นมันมีอยู่ในขณะนั้นคือก็รู้ความจริงได้เมื่อคุณรู้ความจริงอันนี้ได้เป็นเวทนาแล้วเวทนาเนี่ยมันสุขมันสุขเพราะอะไรทําไมมันสุขและทําไมมันต่างกับทุกและทําไมมันต่างกับเฉยเฉยมันสุขมันก็ต้องมีเหตุ มันทุกข์มันก็ต้องมีเหตุเฉยๆมันก็ต้องมีเหตุแสดงว่าเวธนาที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือแม้แต่เฉยๆก็ตามแต่เอาเธอเฉยๆมันจะอธิบายยากว่ามันปรุงเฉยๆหรือมันไม่ปรุงมันก็ปรุงเฉยๆแต่มันไม่มันปรุงโดยอัตโนมัติมันไม่รู้ตัวพักยกไปเฉยๆเอาสุขกับทุกข์นี่มันชัดมันปรุงเป็นสุขมันปรุงเป็นทุกข์อยู่ มันเหตุมันมันต้องผลมันไม่เหมือนกันเหตุมันต้องมีตามกันไอ้ปรุงนี่มันคือการสังขารสังขารแล้วเป็นสุขสังขารแล้วเป็นทุกข์เมื่อมันสังขารมันมีเหตุอะไรมันถึงทุกข์แล้วมันต่างกระสูนทำไมมันถึงสุขสัมผัสอันนี้เดี๋ยวเนี้ตัวนี้คนนี้สัมผัสคนนี้บอกสุขไอ้ที่บอกี้ทุกข์สัมผัสอันเดียวกันเนี่ยแต่เหตุคนละเหตุแล้ว มันจึงปรุงมาเป็นเวทนาคนลเวทนาคนนึงปรุงแ้วสุขคนหนึงปรุงแ้วทุกคนนึงปรุงแล้วไม่ชอบคนหนึงปรุงก็ชอบอินชาลอานิธาดมก็ต้องมีเหตุต่างกันคนก็ต้องพยายามทําใจในใจเรียนรู้ใจในใจมณสิการนี่แหละคือวิธีการเรียนรู้ใจในใจคือสังกับคืต ก, กะวิต ก, กะสังกับปะเพื่อให้รู้จักสังขาร ถ้าคุณเองจิตของคุณไม่มีสมาธิไม่มีตั้งมั่นอะไรเลยอัปปนาไม่มีพยัปนาไม่มีเจตโซฟินิโรปนาไม่มีคแข็งเลอแล้วเธอคุณจะไปกําหนดรั่วอะไรอะไรไม่ได้หรอกเพราะคุณจะต้องศึกษาแล้วพยายามให้มีจิตสมาธิพอสมควรถ้ามันไม่มีคุณก็ต้องนั่งหัดสะกดจิตหัดเรียนรู้จิตให้ได้ เพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องให้เป็นนั่งสมาธิหลับตาสะกดจิตให้จิตนิ่งมีกําลังสมาธิสมร tha เจโตสมร tha พอสมควรจึงจะกําหนดมันได้แต่ผู้ใดเรียนรู้อย่างที่อามาอธิบายแล้วมันไม่ถึงขนาดต้องไปนั่งสมาธิมันทําได้คุณก็ทําได้เลย อ, อ่านรู้ได้แยกแยะได้ว่าอ๋ออารมณ์ที่สังขารปรุงเป็นสุขปรุงเป็นทุกข์มันเป็นอารมณ์อย่างนี้อย่างนี้เองอย่างนี้อ๋อเป็นเช่นนี้เองสุข เป็นฉชนนี้เองอทุกอ๋ออา ก, กายเป็นเชนนี้ไอ้คาว่าเช่นนี้ฉ ช, น น, ชนนี้เองนี่แหละคือตัตาอ๋อมันเป็นเช่นนี้เหรอมันรู้ความจริงแล้วอ๋อโุกมันเป็นเช่นนี้ทุกมันเป็นเช่นนี้แล้วมันมีเหตุมาจากอะไรคุณก็ศึกษาจิตของคุณที่มันปรุงแต่งมันเป็นงานเป็นการกันอยู่เนี่ยเรียนรู้ไปจนกระทั่สามารถที่จะหาเหตุหรือหาวิธี พูาจะท่าบอกว่าอุบายเครื่องออกถ้าคนเราสัมผัสปั๊บเนี่ยเกิดทุกข์แล้วก็เรียนรู้ทุกข์ก็ดีไปอาการทุกข์มันเกิดไม่ชอบใจแต่ถ้าเผื่อว่าสัมผัสปั๊บมันเป็นสุขชอบใจไปเล ย, เลยคุณจะไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์คุณจะไม่รู้ทุกข์ขอข อ, ขอนุญาตพ่อครูคุณจะไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ครับตั้ตรงนี้นิดหนึ่งทิ้ ง, งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ที่พรอกวดเห็นใบน้องกล้องนะครับ น้องกล้องช่วยลบกวนเก่งใจเก่งใจนะครับอ้าวเก่งใจก็เขาได้เงินคนต้นนัดที่เนาะตังใหดีครับครับเมื่อกี้พอครูพูดถึงเวทนาใช่ไหมครับเวทนานก็จะมีสุขเฉยเฉยและทุกข์นะครับแล้วพ่อครูอธิบายว่าไอเวทนาเนี่ยเนี่ยครับเวทนาเนี่ยผมใช้ลูกศรมันเป็นลูกศรด้วยชี้เห็นว่ามันมีอยู่สามแบบลูกศรมันชี้เลยนะสามแบบสุขและทุกข์แล้วพอครูก็บอกว่าเวทนานั้นมามันมาอย่างไรล่ะก็มันมาจากสังขารถูกไหมครับ เรารู้มาจากก่อนแล้วอนครับมันไม่เป็นเวทนาสัญญาสัญญาจะมาต้องเวรควารู้ทั้งขานนะครับตัวสัญญาเนี่ยมันคือเวทนาแค่จะมาอธิบายฝันตั้งแต่อวิชชาสังขารยินญาณอามานามุเวอายตนะผัสสะเวทนานี่แหละเวทนานี่แหละเขตระหว่างเวทนาถึงสังขารนี่มันเป็นกลุ่มตุ่มหนึ่งหลังจากเวทนาไปนี่เป็นตัญหาอุปทานภพชาติครัไอตัวพวกนั้นเน่ยเหตุพวกนั้นเน่ยเหตุที่จะทําให้มันหายไปครับ ให้มันหมดไปนะจากตัณหาอุปทานพบชาติหรือไม่แต่ตัวตัณหาส่วนหนึ่งก็จะหายไปครับแต่เวทนาจริงๆนี่นะมันจะไม่หายหรอกอืมแต่มันไม่มีทุกเวทนาหรือสุขเวทนามันจะไม่มีครับมันจะเป็นอุเบกขาเวทนาผู้ที่บรรลุแล้วจิตอยู่ที่อุเบกขาเวทนาเป็นเดวัฏฐานนิพพานครับมันไม่สุขไม่ทุกข์มันหมดทุกขหมดทุกข์แล้วอื อเวตนาอารมณ์รู้มีอารมณ์มีความรู้สึกกับอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่เที่ยงแล้วครับจากโลกจากสุขจากทุกข์เราจะจากโลกีกกกราาากโร ก, กีเป็นสุขเป็นทุกข์แต่มันไม่มีแล้วสุขทุกข์กระทบกระแท้ยังไงอีกระฟัดยังไงมันก็ไม่เกิดอาการสุขอาการทุกข์นั่นคือคนไม่มีโลกีคนไม่มีโลกแบบปุตุชนแล้วครเที่ยงแท้มันคงแล้วคุณมีผัตตา คุณมีอายตนะผัสสะมันก็ต้องมีอายตนะ ค, คุณมีนามรูปคุณมีวิญญาณแต่เป็นวิญญาณสะอาดแล้ว ค, คุณมีสังขารสังขารนี่เป็นอปุญญาพิสังขารหรือไปรเนิชาพิสังขาห ร, ราขาหรือเป็นสังขารที่่มันไม่มีบาบมีบุญอะไรแล้วครับ <นะ S 1> เพราะฉะนั้นที่พรอครูอาถาธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมวงเล็บคําว่ารู้เหตุก็คือ <c oughs> คือเป็นการตอบคําถามได้ว่า ที่ผ่านมาว่าไอ้หลับตาวิปัสนามันไม่ใช่แน่นอนเพราะมันไม่ไปสู่ของการรู้เหตุปก้ที่พกวดอธิบายอยู่ครับเพราะการรู้เหตุเนี่ยผมก็เลยบอกว่า การรู้เหตุนั่นคือการเข้าสู่กระบวนการของหลักอริยสัจสีในขั้นต้นถูกไหมครับเพราะในเมื่อทุกคนยอมรับว่าทุกมันมีเมื่อรู้ว่าทุกมันมีนั้นมันมีเหตุแห่งทุกเพราะฉะนั้นกระบวนการของการเข้าใจที่อธิบายมาตลอดต่อเนื่องอย่างยาวนานนั่นคือการที่จะต้องรู้ว่าที่มาของมันเนี่ยมันมาจากกระบวนการของอายตนะทั้งหมดทั้งห้านอกและหนึ่งใน ถูกไหมครับมันก็เลยทําให้เราจะต้องรู้เหตุที่มาและความต่อเนื่องแล้วก็เกิดการเข้าไปจับของอุปทานเมื่อเรารู้เหตุตรงนี้แหละมันจะเข้าสู่ความเป็นทฤษฎีที่ชัดเจนที่ทุกคนก็ท่องเอ่อวิทยาศาสตร์สีกันอย่างท่องกันข้องปากกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเริ่มอธิบายถึงว่ารู้เหตุแล้วบาทีผมขอเบรคพรอครูเพราะว่าพ่อครูกําลังจะไปบอกว่าจะเข้าไปสู่อุบายเครื่องออก นั่นถูกไหมครับผมจึงบอกขออนุญาตพ่อครูเบรกนิดหนึ่งเมื่อถ้าเราเข้าใจทั้งหมดเนี่ยที่ปรากฏอธิบายว่าเอ้ยไม่ใช่หลับตายยังไงก็ไม่ถูกต้องเพราะคุณจะไม่สามารถรู้เหตุของที่มาได้เลยมันของสดมันไม่ขอสดก็ไม่รู้เหตุเนี่ยการจะเข้าสู่สู่การพิจารณาหลักของอริยสัจสีไม่สามารถจะเข้าสู่หลักอริยสีสัจสีได้ทุกรู้ว่ามันชุกไงถูกไหมฮะสมุทรไทยนี้โลดมัด มันกระบวนการของการรู้เหตุเนี่ยมันจะไม่ไม่ไปรู้เหตุแต่รู้ว่ามันมีทุกจะไม่รู้เหตุถูกไหมครับมันเมื่อไม่รู้เหตุจะไปเดินของอุบายเครื่องออกยังไงมันก็เดินผิดทางเพราะมันไม่ใช่เหตุที่แท้จริงของผลจากทุกตรงนั้นครับคงขยายงี้ทําความเข้าใจผมได้ดีขึ้นก็ขยายความมากขึ้นครับอ้าวเช่นว่าครูบครับอทีนี้เมื่อคุณเองคุณสามารถขยับไปอ่านเวทนาสุขทุกแล้วครับเหตุของเวทนา มันจะสุขจะทุกข์มันก็ต้องมีเหตุเหตุอันนั้นคือตัณหาหรืออุปาทานยึดติดอยู่อย่างนี้อ่าสําคัญมันหมายไว้ว่าอย่างนี้ต้องเอาอย่างนี้ทางอย่างนี้เป็นสเปคเป็นสเปคซฟิเคชันของมันไว้อย่างนี้มันยึดสเปคพูดภาษาสัส้นๆเขาก็เรียกกันอยู่สเปคสเปคเมื่อคุณสามารถที่จะอ่านไม่ต้องไปกำเนึงถึงตัวสเปคหรือว่าตัวอุปาทานเท่าไหร่ก็ได้ เพราะว่าอุปทานหรือตันหาเนี่ยมันตัวเดียวกันอืเมื่อมันเคลื่อนที่มันก็เป็นพลังงานทางจรณะอืมถ้ามันไม่เคลื่อนที่มันก็มาหยุดเป็นพลังงานสักอยู่หองมันเฉยเฉยนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งเพราะมันตัวเดียวกันฆ่าตัวไหนมันก็ได้ตัวนั้นเน่ะฆ่าตัวไหนมันก็ได้ทั้งคู่จะฆ่าตัวไหนก็ได้ถ้าคุณสามารถแต่อันิ่งนิ่งเนี่ยมันรู้ยาก มันจับตัวมันยากเพราะมันนิ่งมันหลบมันก็ไม่มีตัวเพราะว่ามันก็ไม่มีตัวอยู่แล้วคมันอาสรีรังมันอนัตตามันไม่มีตัวตนของมันที่จะรู้แต่ทีนี้มันมีตัวตนเพราะว่าคําว่าตัวตนคำนี้ถึงเป็นตัวตนที่มันทุกข์มันสุขไม่ใช่ว่าตัวตนดับไปหมดเลยนะตัวตนอะไรอะไรเพราะงั้นอรหัตตาก็คืออัตาตัวอรหะครับก็ยังตัวตนอยู่ใช่ตัวตนที่ท่านไม่ลึกลับแล้วอรหะ ครับอาตมาแปลอย่ายงนี้ท่านบาลีประเดี๋ยวแปดอะไรท่านก็ว่าอาตมาว่าไม่เคยมีอาจารย์ไหนสอนแบบนี้ครับว่าอารหัตตาคืออัตาที่ไม่ลึกลั บ, บท่านทั้งที่พรยัญชนะอารหันต์แปลว่าไม่ลึกลับลระหอบระโห่แปลว่าลึกลั บ, บนะอรหันไม่ลึกลับแลแต่อาตมาไม่แย้งไม่เสียงหรอกแต่อาตมายืนยันว่าพยัญชนะของบาลีนี่ลึกซึ้งนานคุณเรียนไม่ถึงคุณก็ไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรไม่เสียง อาตมาเข้าใจก็ใช้ได้อาตมาใช้ได้คุณไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรแล้วอาตมาไม่เสียคองอะไระ <c oughs> ะทีนี้เมื่อคุณสามารถสามารถรู้เวทนาได้แล้วและพยายามที่จะรู้เหตุที่มันมาสุขมาทุกข์ถ้าเราเองเราไม่สามารถที่จะรู้ตัวเหตุถื่อาการทุกข์นี้มันได้ <c oughs> พระพุทธเจ้าก็แม่อุบายเครื่องออก คือตั้งเลยว่าเมื่อคุณเองคุณได้ผัสสะอันนี้และคุณก็ได้มาสังขารมาปรุงแต่งมาของที่ได้มาเป็นของเราของที่ได้มาสัมผัเสเฉียดสีของที่ได้มาเสพเสเวยคุณอยากเสวยอืยคุณอยากเสพต้องตั้งใจว่าเวน้นอารติวีรติปฏิวีรติเว ร, รมณีเว้นขาดขาดมันมันจะสัมผัสก็อย่าไปเอามันมาเสวยผลเ<ม>พราะมันจะต้องสุขต้องทุกข์ ตามันกระทบอยู่ก็ได้คแต่คุณก็ต้องอ่านจิตว่านี่มันสวยมันก็เพลินนะถ้ามันเพลินคุณก็ละตามันเมื่สิอย่าให้ตามันดูโดนไวนมันมันเหมือนกันนะตามเห็นอยู่นี่มันเหมือนนะราะว่าก็เว้นขาซะอย่าไปดูอย่าไปแตะมันอืมครับคุณก็จะเห็นมันดิ้นแล้วหรือว่าเได้กลิ่นคุณก็ยเป็นได้กลิ่นหนีกลิ่น เสียงก็หนี้เสียงถ้ามันมันคุณก็ยังทนไม่ได้คุณยังปรุงอยู่แต่ถ้าคุณปรุงไวมันสัมผัสตามันก็สามารถที่จะอ่านได้ว่าโอ้ตัวนี้มันเหตุที่มันมันมันสัมผัสแล้วเนี่ยนะมันชอบหรือมันไม่ชอบก็เพราะว่ามันตั้งเขาไว้ที่ในจิตเนี่ว่า มันไม่ชอบนะอนี้มันไม่สเปคเลยเนี่ยมันก็มองมันผักนะมันไม่ชอบถ้ามันสเปกก็โอ้เอาเอาเอาเอานะมันจะมีอาการอย่างนั้นเลยโอย้ตัวเรานี่เองตัวเรามันตั้งชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอามันก็ผักถ้าเอามเอออยากได้อยากได้อาจมาพยายามแยกหรอยากได้มาเป็นของตนหรืออยากได้มาจมผัดแล้วก็เป็นรถ อืถ้าเป็นรถก็เลยว่าเป็นสุขทางกามด้วยราคะถ้าเป็นของเราเอาเรือก็เป็นโลภะสนใจในความเป็นเราเป็นของเราอ่ารามาสบัดเรสร็จสีทางตาสัมผัสจะตามจมูกสัมผัสกลิ้นกายเสียงสัมผัสจะตามแล้วก็ตรงแล้วก็สุขก็ทุกสัมผัสเสพอารมณ์อืมครับเสพอารมณ์อันนั้นเสพเป็นของกูครับอเสพเป็นของกูเลย อืนะ่ะมันต้องเป็นของกูยิ่งสมัยใหม่นี้เราต้องเป็นสิทธิออืนะเป็นสิทธิมีกฎหมายบอกว่านี่เป็นสิทธิของคุณใครอื่นมาแย่งทิศจับเข้าคุกได้ด้วยอะไรไปโน่นเลยสมัยใหม่นี่มีทั้งนี้เลยสมัยโบราณก็มีของกูเหมือนกันนั่นแหละครับแม้ไม่มีมกฎหมายก็ฆ่ากันเลยเองแย่งของข้าฆ่าของเองก็ฆ่ากันไปแย่งกันไปแย่งกันมานะทีนี้ ถ้าคุณสามารถรู้เหตุมันได้แล้วเหตุตัวนี้แหละคือเจตนาอืมมโนสชนเจตนามโนสชนเจตนามีสามหนึ่งกามตัญหาสองพวตัญหาสามวิพวตัญหานี่คือมโนสันเจตนาสามที่เป็นอาหารกวาลีกลาหารอาหารคือกามภาษาาหาร ภาตาหารก็คือเวสน า, าอย่างน้อยก็เวสนาสามที่ฉัแจกไว้มโนสัญเจตนาก็มีส า, ามกามมัตนาภวตัณหาและวิภวตันหาที่นี้ในรายละเอียดของตันหาสามอัตมาก็อธิบายไม่เหมือนโบราณอาจารย์หรืออาจารย์ที่สอนอยู่ทั้งหลายเนี่ยวิภาวะวตัณหาคือตันหาไม่มีพบ เพราะยนั้นตัณหาที่มีพบอยู่ก็คือรูปประพบการมาพบรูปประพบรูปประพบกามาพบคือพบนอกครับส่วนพบในคือรูปประพบกับอรูปประพบเรียกว่าภาวะพบพอข่ากิเลสกามได้แล้วภาวะกายป่ะพบพอข่ากิเลสกรรมได้แล้วเนี่ยมันเป็นของหยาบมันเป็นของเบื้องต้นทําได้แล้วจิตคุณก็จะอยู่เนื้อมันเป็นโลกุตตรจิต เป็นจิตอุตระเป็นจิตเนื้ออันนี้แล้วไม่ได้หลับตาของพระพุทธเจ้าไม่ต้องนีแต่อยู่เนือ้อสัมผัสอยู่แล้วเหลือรูปประพบอรูปประพ บ, บ, บ, บ, บ, บก็ไม่ต้องไปหลับตาคือนก็สัมผัสอยู่นี่แหละแล้วรูปเรียกว่ารูปประพ บ, บหรือรูปพบซึ่งเป็นรูปาวจรอรูปาวจรไม่อีกทีนึงข้างหลังค้งลึกไปอีกก็มาพูดถึงอันที่สองรูปาวจรอืม มันก็ดําเนินชีวิตมันก็สัมผัสอยู่อย่างนี้นะ่ะในกามมพบหรือกามวาวจรคุณก็ไม่ได้หลับตาคุณไม่ได้ปิดตาคุณจมูกดิ้นกายแต่กิเลสคุณไม่มีแล้วคุณก็สัมผัสอยู่ก็สบายเฉยๆไม่ต้องอะไรเลยคุณเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีมีนิโรธแล้วดับไร้แล้วคุณไม่ต้องมีกิเลสแล้วกิเลสไม่มีมันไม่มีโดยจริงมันไม่ต้องมาซื้อมันไม่ต้องมาต้องกดต้องคมต้อง อดต้องทนอะไรมันไม่ต้องแล้วมันสบายมันได้โดยไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วมันเป็นฌานนะโดยเฉพาะอุเบกขาแล้วด้วยครับเป็นเนคคัมสิตาอุเบกขาแล้วด้วยออกจากกรามนี่ได้หมดแล้วเรียกอุเบกขาเมื่อใดก็อุเบกขาสัมผัสเมื่อไรก็อุเบกขาเป็นปริสุทธาปริโยธาตามุทุกกรรมัญญาปพัชราแล้วคุณกระทบมันก็เป็นรู ป, ปราคะของคุณคุณก็กําหนดรูของคุณ แล้วมันไม่ออกมาเป็นปฏิกิริยาข้างนอกที่มันจะมาแสดงอาการเสพอาการติดอาการไปเบียดเบียนอาการไปต้องต้องใช้ตรงนี้เพราะว่าคุณไม่ไม่ต้องการไม่ต้องมีแล้วเป็นของเราก็ไม่เอาเป็นรถเราก็ไม่เอาแล้วรถนี้เราก็ไม่เอาแล้วรถราคารถกามก็ไม่เอารถโลภะเป็นของเราก็ไม่แม้ที่สุดรถโทสะรถผลักรถพยาบาทรถไม่ชอบไม่มีทั้งคู่ ไม่มีทั้งชอบไม่มีทั้งชังไม่มีทั้งผลไม่มีทั้งดุไม่มีทั้งโกรธไม่มีทั้งโลภไม่มีทั้งราคะก็เหลือแต่ของคุณอยู่ข้างในของคุณเองรูป ร, ราคะมันก็เป็นอาการของคุณคุณจะต้องกําหนดรู้ในฐานนั้นคนเป็นอนาคามีภูมิอยู่ในภาวะตอาอวนาคามีภูมิมันก็จะเกิดดําเนินบทบาทอยู่เรียกว่าอาวาจรมันก็เป็นก็มีอยู่ในใจของคุณ คนไหนก็ไม่รู้ว่าของคุณหลอกอันนี้เพราะ ม, รมันไม่มีรูปมันไม่มีการแสดงอิริยาบถกิริยาทั้งนอกไม่มีครับมันไม่ต้องมาเอาทำลายเพราะมันเป็นจะเราชอบไม่ชอบไม่มีมันก็เฉยๆล้วมันก็มีไปของธรรมชาติมันก็มีไปสิเราก็ไม่ต้องไปทะเลาะถักดูดอะไรถ้าจาเป็น จะต้องรับมาให้แกตนเองเป็นเสื้อเป็นผ้าต้องอาศัยมันบ้างก็เท่าที่ควรครับยิงคุณไม่ติดไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามากมายไม่ติดยึดในรูปมันสวยมันงามมันดีมันอะไรมันรู้มันรรามันมีเก็บไม่ยอดอะไรคุณก็จริง่งไม่ต้องไปจู้ยากมากมายเลยอะไรที่พอสมเะสมควรไม่อุจาดไมเ่เกินไปไม่ดูเวอร์เกินไปคุณก็พอดีพอดีคุณก็ว่าไปนะ เพราะฉะนั้นในความกําหนดหมายที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนี่คุณก็จะต้องมีตัวสัญญากําหนดหมายถึงขนาดความพอเหมาะพอดีมีมัดตัญญาตามีอ ะ, อะไรต่างๆนานาที่จะอาศัยข้างนอกอยู่ตามเหมาะตามควรคุณไม่ไปปรุงไปแต่งไปอะไรมากแล้วไม่เป็นเราเป็นของเราม่ได้ก็มามเป็นรถเป็นชาติอะไรไม่ฝักไม่ดูดอะไรคุณก็อาศัยมันตามเหมาะตามควรคุณไม่ต้องไปแย่งใครนี่ค แน่มีมากๆคุณก็แจกด้วยซ้ำไปก็ลราไม่จะมีไปมีอะไรมีไว้ทําไมอ่ะอืมากมายเป็นพาระต้องเก็บต้องงำต้องรักษาต้องดูแลถ้าอะไรมันมีค่าก็ยิ่งต้องเป็นพาระดูแลรักษามันยิ่งยากนะอิ่งเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นของมีค่าราคาสูงโลกก็ดีไม่ดีคนมันไม่ได้อยากค่าเราหรอกแต่มันอยากได้ของราคาแพงเราเลยผ่านตายไปเลยนะจริงบอกไม่ต้องค่าได้ของดีๆก็ให้เราไม่หวงหรอกใครจะไปรู้ล่ะนะ จอไม่ไปรู้แลวมันจะเอาของมันก็ฆ่าคุณก่อนครับนอันนี้ไม่ก็นอกยไปน่อยเยวทีนี้พอมีเจตนามีการมุ่งหมายรู้ตัวเจตนานี่แหละมะโนสัญเจตนาเรียกครบๆก็คือมีสามกามัจหานรภาวหาวิตัสหาเพราะฉะนถึงกามัญหาหมดภาวหาคืออารูปก็อารูปเพราะฉะนันเนี้รู ป, ปาวจร มีราคะมีความต้องการมอรีอยากได้มาเป็นของเราเมันไม่มีแล้วนะในระดับของอนาคาเมีเยแต่มันยังมราริตรีในรถรูปรูปราคะมันริตรีในรถซึ่งไม่มีใครเขารู้สรุปง่ายๆก็คือรูปรูปราคะกับอะรูปราคะนี่มันหยาบาละเอียดะกว่ากันคือก็ประมาณเราเองอันนี้หยาบอหเนี่ย มันมีรูปแต่อารูปนี่แม่มันจริงอารูปละเอียดแล้วมันมันคาดจะไม่รู้เรื่องนะโอ้แต่ทําไมมันไม่มันมีอาการอะไรเนอเช่นเออเราก็ว่าเราไม่มีรูปอะไรมากมายแล้วทําไมมันมันมีอาการผิวผิวติ๊กติ๊กอะไรคือก็ต้องกาหนดรู้เองว่ามันไม่นิ่งอืมันไม่สงบสนิท มันยังมีระดิกระดีของอาการที่มันจะเป็นอาการอะไรน้อยแต่มันไม่เป็นพิษเป็นภัยกับคนอื่นหรอกมันไ ม, ม่สะอาดชนิดของคุณนะมันเป็นขั้นอากินจัญญาญานะอืมขั้นมันยังมีแต่จิตหนึ่งน้อยหนึ่งจะจับรู้ได้ใช่ต้องไม่ให้มีแต่คุณยังมีคุณนิดหนึ่งน้อยหนึ่งเท่าไหร่ก็ต้องหมดไม่มีอากินจัญญาญตณะแปลว่าไม่มีแม่น้อยแม้นิดอืมแต่เท่าทุลีละออง ขนาดไหนคุณก็ต้องเท่าที่คุณจะมีความละเอียดนนนิปุ น, นาของคุณชั่วฟ้าเนี่ยแป๊บหนึ่งอ้าเท่าที่คุณจะรู้น่าเบรายละเอียดแล้วครับทีนี้ของพระพุทธเจ้าที่อาตมาอธิบายตรงนี้เพื่อให้เรียนเห็นว่ามันยังไม่ขาดผัสสะคมันยังไม่ขาดการกระทําใจในใจมรณาสิการครมันไม่ขาดเจตนาคแต่เจตนาในขนาดกามตัจหามันหมดแล้ว มันถ้าคุณสามารถรู้ภาะวะภาะวะตัณหาที่เป็นรูปประพ บ, ค, บคุณก็รูปราคาคุณก็หมดแล้วคุณก็เหลือแต่อรูปราคาคถ้าอารูปราคาก็หมดสังโยชน์เบื้องสูงอุทธรมปาจเยสังโยชน์รูปราค า, ารูปราคะมานะอุจจจะอวิชา ร, ร า, า, ารูปราคาหมดอรูปราคะหมดมานะถือดีถือตัวกับ อุทจจะฟุงฟ้งๆฝอยๆละเอียดละอองทุลีอะไรต่างๆอุทจจะเศษทุลีละอองคืออากกินจัญญายาชนะนั่นแหละควรจะต้องจับละเอียดสะอาดอันนั้นให้เกลี้ยงอย่าให้มันมีที่เหลืออุทจจะก็คืออากินจัญญายาชนะกับเนวััญญานาสัญญาญานะก็คืออากกินจัญญายาชนะนี้ก็คืออุทจจะอุทจจะที่เหลืออุทจจะสังโยชนคับอวิชาสังโยชน์ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณสามารถที่จะ ก, กําหนดสุดยอดเลยว่าไอนน้นิดหนึ่งนั้นหนึ่งไม่มีเมื่อไม่มีแล้วไอ้ในวสัญญานอาสยาณเนี้ต้องกําหนดสัญญาสัญญาคือตัวกําหนดรู้ต้องรู้ให้หมดครับรู้ให้ครบอากาสาก็ต้องชัดเจนว่าสมบูรณ์วิญญาณนันจากขาสมบูรณ์อากินจันเขาต้องสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างจนชัดเจนหมดจะว่าไม่รู้ไม่ได้ในวสัญญาคือรู้อากินคื อ, อยังมี นิดหนึ่งน่นยังจะมีหรือไม่มีก็ตามใจพเพื่อนในวสนะัสยานาสยานน้นรู้ไม่รู้ไม่ได้ไอส่วนอกินจัญญานั้นมีมีไม่ได้ต้องไม่มีอ่าต้องไม่มีอะไรไม่มีคุณก็ต้องรู้เองนะคะมีระดิกาทิอโซกะทุรีหมองวิริชะทุรีเริงอัตจมาแปลเป็นไทยอโซกะทุรีหมองวิรชะทุรีเริง ไม่มีแม้ทุรีมองหมดแม้ทุรีเริง ร, ระดีระดีนี่ น, นี่แม่แอดเสพ น, นี่ก็ไม่มีทุรีเริงเข้มมังจะเสพสุดท้ายปราศจากทุรีมองทุรีเริงคือหมดอากิจัญญะและรู้แจ้งจบจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่กำหนดรู้ได้แล้วหรือยังกำหนดรู้ไม่ได้ไม่มีรู้หมดผ่านพ้นสมติกมะ เนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเป็นสัญญาที่ทำงานจบบริบูรณ์หมดทั้งอุทธะสังโยชน์หมดทั้งอวิชชาสังโยชน์พ้นหมดเลยแม้อวิชชาสิ้นอวิชชาสวะเป็นสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธเป็นนิโรธสุดยอดอเลยลืมตามีจักขุมีญาณมีปัญญามี วิชามีแสงสว่างครับเพราะฉะนั้นนิโรธสว่างไม่ใช่นิโรธดับตาตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้ที่ผมพูดถึงถึงเรื่องของการรู้เหตุแต่แล้วเกิษณ์ที่พระครูอธิบายยาวนั่นน่ะเป็นการอธิบายในเนื้อของความเป็นอริยสัจสี่ทั้งหมดเลยนะครับแน่นอนถูกไหมครับพระครูครัจนถึงสุดทุกแห่งทุกต้องการทวกจนสุดจนกำจัดหมดได้วัวนการวิธีการทั้งหมดเลยถูกต้องทีนี้เมื่อสักครู่นี้ผมมีคําถามในใจผมค้างอยู่นิดนึงครับ เพื่อที่จะได้ให้ท่านผู้ชมนะครับซึ่ง เ, เรียนรู้กันมาร่วมกันเนี่ยครับประกิบคำว่ า, าประเด็นที่ตอนที่พระครูพูดถึงอุบายเครื่องออกเนี่ยนะครับคำคำหนึ่งนะครับที่ เ, เวลาทำบุญทุกครั้งครับก็อรัธนาสินทุกครั้งเลยนะแล้วก็เวรละมณีเวรละมณีเวรละมณีทุกครั้งนะครับตรงนี้แหละครับที่ผมอยากะถามทำความเข้าใจในความเป็นไปก็คือ นี่คืออุบายเครื่องออกก็คือให้มันละเว้นมันเสียเพราะฉะนั้นเทคนิคของอของการการดําเนินงานของพระพุทธองค์ก็คือให้ถือศีลให้ทําศีลให้มีกระบวนการของการทําศีลที่เราเรียกว่าตรงเนี้ก็คือศีลห้าที่เรามักจะได้ยินโด ย, โดยทั่วไปโดยพื้นฐานกุฎิชนที่ในวิถีวิถีปกติของของประจําวันที่เรามักจะ พเราบอกไปทำไายไปวัดไปถือศีลไม่ถือศีลแต่ถ้าตงถือศีลด้วยแท้จริงของการเวรลมณีเนี่ยจะต้องถือศีลด้วยการที่เอามาเป็นอุบายเครื่องออกไม่ใช่เพียงแค่รับศีลขออารัธนาศีลแล้วก็รับศีลเท่านั้นตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะถามว่าผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับในสิ่งที่พระวรวิ์อธิบายเรื่องเวลมณีมาอุบายเครื่องออกศีลคือการกาหนดตามฐานะครับ ะจะ ก, กำหนดตั้งแต่ขั้นหยาบจนตื่นในว่าศีนห้าคุณก็กำหนดรู้สภาวะของศีนห้ามีอะไรบ้างเช่นเราต้องรู้ชีวิตเขาชีวิตเรารไม่ทำลายชีวิตเขาชีวิตเราให้จกร่วงมันเป็นเลวขั้นหยา บ, บของของนี่คือตัวโลกสีก็สอง ร, รถ รถอสัทัศน์คือขอ้ขอสามเสพรถอ่าอันหนึ่งโรับอันหนึ่งกามหรือราคะที่คนหนึ่งคนสองข้อสามเนี่ยเพราะฉะนั้นในอันที่หนึ่งอย่าไปทําร้ายอะไรคนอื่นเขาคอย่าไปทําร้ายคนอื่นเขาอ่าโดยการที่ทําร้ายให้เขาตายให้เขาเจ็บให้เขาป่วยให้เขาไม่มีดีอ่ะอย่าไปกรทําร้ายสองอย่าไปเอาของเขาที่ไม่ใช่ของเราคสาม อย่าไปละเมิดสิทธิที่คุณจะต้องเสพได้เสพสิ่งนั้นคุณไม่มีสิทธิไปเสพรถคุณไม่มีสิทธิไปไปละเมิดตัวเขานะมีอะไรเขานะนี่ของห่วงเขานะนี่ของเขามีเจ้าของนะอย่าไปละเมิดไปสัมผัสแต่ต้องเขาก็ไม่ได้นะเสพรถไงคนที่สามก็ง่ายๆอ ย, ย่าหยาบอย่างนี้แหละก่อน หรืออย่าพูดปดหรือข้อห้านี่คือคขั้นต่ําอบายครับต้องอย่าไปจะไปเสพรถอย่าไปเมามายครับอย่าไปมัตะ์หรืออย่าไปสุระเมามายขั้นสุระนี่มันหยาบมีระยะขั้นกลางมัชะขั้นปลายอครับอย่าไปกล้ามืดมตาบอดอะไรกับเขาอย่างนี้ให้รู้กิเลสต้นตัเองแล้วอยไปละเมิดเพราะาขั้นหยาบเอาก่อน สุระขันแข็งกล้าหยาบแข็งเมื่อสามารถกำหนดรู้สภาวะต่างๆในคุณก็ปฏิบัติตามสีลห้านี้เพราะฉะนั้นถ้าสีลแปดไอรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสความมากความใหญ่ความรู้ความล้าอะไรอีกทพรพอสมควรเนี่ยเอาไว้ก่อนขั้นต่อไปเป็นสกิทาคามีเราเคยว่ากันนะตอนเอาให้ชัดๆโชดาบันให้รู้สภาวะพวกนี้ S <S ให้ชัดเจนอให้รู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักเอตนารู้จกักผัสสะแล้วทําใจในใจมณสิการนี่แหละจัดการกับใจของเรานี่ให้เป็นครับให้ใจมันรู้จักกิเลสเป็นสักกายสกายะตัวต้นเป็นอเอป็นตัวที่รู้แจ้งเห็นจริงจากตัวตนของกิเลสแล้วคุณก็กำจัด ก, กิเลสตัวนี้ให้ได้พ้นศีลาประตปรามากอืมครับา เป็นสังโยชน์สามข้อถ้าคุณทามันนี้ได้แม้มันจะยังไม่ดัดสนิทนะมาเริ่มต้นเป็นสูตรที่ถูกต้องเป็นสมาธิฐีแหละสามารถลดสัตกกยาได้ยังไม่ถึงขั้นหมดสักายาก็ดีอัตตาก็ดีอาส า, าก็ดีก็คือตัวตนของสภาวะกิเลสเขาที่ของพวกนั้นมีจริงเป็นจริงรแล้วรู้ของจริงของตนแล้วก็กาจัด ก็จัดจากสกายะคือตัวตนตัวหยาบตัวต้นเลยเรียกมันรวมเลยว่าอัตตาทั้งหมดเลยสกายะก็อัตตาอัตตาคือจะหยาบจะกลางก็อัตตาละเอียดปลายเรียกว่าอาสวะก็อัตตาต้องอัตตานุทิศต้องตามให้อัตตามาตั้งแต่สกายะจนกระทั่งถึงกลางกลางถึงกระทั่งปลายปลายทุกระดับจางคลายมาเลือ้อยรสลงตามเรียกว่าอัตตานุทิศตามให้อัตตามาละๆจนจนอัตตานี้หมดเลี่ยงอาสวะอนุสัย ประตัวปลายตัวสุดท้ายก็หมดอัตตาตั้งอยากกลางละเอียดหมดสิ้นอาสวะนั่นคือไม่มีอัตตาแล้วอนัตตาแล้วก็เห็นความไม่มีอนัตตาเห็นความหมดเกลี้ยงได้ปฏิบัติมาจากการศึกษาจากการศึกษาเพราะฉะนั้นสัญญากาหนดรู้สิ่งเหล่านี้มันมันเกิดมันดับของมันโดยที่ สัญญาเราก็ทํางานโดยไม่รู้แบบนี้ไม่ได้มีการศึกษาคุณก็รู้อยู่แต่คุณรู้มั่วๆคุณรู้ไม่ชัดเจนรู้ไม่ละเอียดหรอกครับแม้ศึกษายังไม่ละเอียดชัดเจนดีคุณก็ยังสับสนเป็นสัญญาวิปลาดได้ครับเพราะสัญญาที่มีการศึกษาจะไม่วิปลาดเลยจะรู้ต้นกลางปลายจะรู้จักไอ้นี่ไม่สับไม่สนไม่ประหลาดอะไรเลยกําหนดไม่มีค่ามีเคลื่อนเลยเดี๋ยวก็สัญญาไม่วิปลาดจนแม้ที่สุดตัวอาสวะก็กําหนดแน่นสัญญา กำหนดรูตัวดับอาสวะสิ้นไม่เหลือเลยไม่มีไม่มีอาสวะแล้วคุณก็เห็นความไม่มีตัวตนตั้งแต่สกายะตั้งแต่อัตตาทางกลางมาจนสร้างถึงปลายอาสวะหรืออนุสัยมันก็ไม่มีอัตตาคุณจึงเห็นสัมผัสเห็นอนัตตานะครับปสตินะผู้ิทวาสัมผัสอยู่เลยสัมผัสความไม่มีตัวตนของรเราเองอยู่เลย เรียว่านี้รธก็เรียกเรียกาษาหนึ่งไวโพธของความนิโรธคือดับครับือมันไม่มีมันดับมันไม่มีหรือมันหลุดพ้นแล้วนี่มันไม่ไม่ไม่เกี่ยวแล้วมันมีมุดแล้วก็ได้จะเรียกวิมุตจะเรียกวิมุตจะเรียกนิโรธจะเรียกนิพพานครับคือมันก็ไม่มีแล้วครับุณก็เห็นไม่อยู่หลหลับไม่ต้องหลับตานิโรธไม่ต้องดับ มืไม่รู้เรื่องเลยตัวเองก็ไม่รู้วลยเพื่อ ด, ดับสัญญาดับเวทนาหมดเลยแต่ปีไปหมดทั้งรุ่นเลยเวสยาเวทนาก็ดับทั้งรุ่นสัญญาก็ดับทั้งรุ่นเลยอันนี้แหละอาตมาเห็นใจเห็นใจสงสารที่ตะเรียนกันอยู่ในเมืองไทยทั้งหมดมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชั้นไหนนิโรธแบบดับสัญญาดับเวทนาหมดเลยอื<ม>อันนี้แหละอาตมาก็ว่ามันยากอยจังเลยยากที่จะให้รู้ว่า สัญญาอย่างหนึ่งนั้นดับเพราะการศึกษาคสัญญาอย่างหนึ่งนั้นดับเพราะธรรมชาติครับเมื่อดับขก็มันท้องจ่แต่คุณไม่ธรรมชาติหรอกคุณไปเจตนาดับมันเลยอืคุณศึกษาผิดมิจฉาทิฐิคุณก็ไปดับเอาสัญญาไปดับเอาเวทนาทั้งรุ่นเลยอืมแต่ถ้าการศึกษาสมาธิิฐของพระเจ้าเป็นการศึกษาเจตสมาธิคุณก็จะบรรลุ ค, ความสัญญาที่ ทำให้มันดับตัวที่กําหนดรู้ครับมันรู้จนไม่ต้องไปดับอะไรมันเลย ม, มันกลายเป็นตัวรู้ที่ยิ่งครับที่เป็นตัวที่อาตมาพูดแล้วว่าสัญญาเวชยิยตังนิโรธังโหติอืโอหูมันเกิดการสัญญากําหนดเข้าเคลียอารมณ์รู้ชัดหมดเลยอืเป็นจักขุเป็นปัญญาเป็นญาณเป็นวิ ช, ชาเป็นแสงสว่างไม่ได้ดับอะไรเลยครับ คือยังไงเนี่ยสัญญามันก็ต้องอยู่แต่เพียงแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นสัญญาเราอาสวะครับเราเราที่ที่ยังไม่ไม่เรียก ว, ว่าไปไม่ถึงสุ ด, สดเส้นชัยเอานี้ดีกว่าใช่ถูกไหมครับไม่ถูกไม่สุดเส้นชัยไม่สุดเส้น ช, ยชัยเพราะฉะนั้นคือถ้าถ้ามีสัญญาการดับเกิดขึ้นเนี่ยทฤษฎีบทที่หนึ่งต้องคงต้องผิดแน่นอนเพราะนี้ว่าองค์ประกอบเนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาถูกไหมครับตรงนี้ไม่งั้นไม่งั้นมันมันจะผิดนะครับคือหลัก ของพระพุทธเจ้าไม่เคยขัดแย้งตัวเองใช่ไหมครับเพราะนั้นเท่ากับสัญญาเนี่ยสัญญาเดิมๆเนี่ยมันถูกการพัฒนาจากจับปัญญาที่เรียนรู้เรียนรู้อวิชชาจนสิ้นสุดถูกไหมครับก็จึงไปสุดสถานีปลายทางแล้วก็จะเป็นสัญญาตัวใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเป็นสัญญาตัวใหม่เป็นสัญญาที่สว่างสวเป็นสัญญาที่ที่เอ่อมันเป็นภาวะของคุณภาพของสัญญาที่มันเป็นสัญญาที่ มีคุณสมบัติสูงเป็นสว่างแจ้งครับเป็นตัวจักขุเป็นจักขุมาปรินิพพุทโธติเป็นนิพพานที่มีดวงตาจักขุมาเป็นผู้มีดวงตาจักขุมาปรินิพพุทโธติแปลว่า น, นิพพานรอบปรินิพพุ้โธติคือนิพพานรอบด้วยเป็นผู้มีดวงตาเห็นแจ้งเลยครับมันไม่ใช่นิพพานสุปกนินาหะไม่ใช่ในโรดอย่างนั้นอื เอาตรงนี้อาตมามีเวลาเหลืออีก10นาทีเนี่ย20นาทีนี่นะอาตมาได้เรียบเรียงคน่าได้เรียบเรียงไอ้เรื่องเกี่ยวกันนิโรธจะจะเน้นคําว่านิโรธกันแล้วกันนิโรธครับอ่าเน้นคําว่านิโรธนะอ่าเรียบเรียงเอาไว้ที่จริงก็เคยอ่านใด้ฟังผ่านมาแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ขอขยายตรงนี้เฉพาะเลยนะนิโรธเนี่ยของอ ที่ไม่ใช่พุทธเขาจะกำหนดนิโรธ ค, คือการนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็เข้าไปสู่สภาวะสภาวะข้างในทิ้งข้างนอกรู้แต่จิตในจิตของตัวเองแล้วก็พอถึงขั้นอัธมาธิบายมาหลายทีแล้วรูปฌานแล้วก็ไปอรูปฌานจนจะไปถึงขั้นอากาสาไปชึงเนวัญญาน า, าสัญญาก็าตามาแล้วก็ไปดับ อากินจัญญาจะจะน่ากระทือว่าตนเองดับก็ไปดับตรงนั้นพอดับแล้วมันก็มืดดำปี้ปเลยมันไม่รับรู้คือสัญญาไม่ทำงานนะไม่ได้ไปกำหนดรู้ตัวเหตุแล้วก็ดับเหตุอ่าเหตุมันดับเหตุมันดับนี่มันไม่ได้มืดมันไม่ใช่หมายความว่าธาตรู้เราหายไปมันไม่ใช่เลยแต่ที่อาตมาจะอธิบายในก็คือนิโรธของ อสีนิโรธเขาไม่ใช่ลัทธิพุทธกับนิโรธของพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นภาวะที่ต่างกั น, นเพราะฉะนั้นองค์ความหมายของคาว่ากายกับความหมายของคาว่าสัญญาครับมันจะมีทั้งต่างกันและอย่างเดียวกันนะพอมันไปถึงขั้นนิโรธแล้วเนี่ยมันยากมากเลยที่จะอธิบาย พรอมาซับซ้อนสลับไปสลับมาขออธิบายตั้งแต่วิญญาณทีติข้อที่สามหรือสัตวว่าดข้อที่สามวิญญาณทีติข้อที่สามหรือสัตววาดข้อที่สามบอกว่าอ่าอันนี้เขาค้นพบพระพุทธเจ้ากัดอันหนึ่งในโทธัพพทัสสุขข้อสองร้อยเจ็สิบเก้าบอกว่าสัญญาของบุรุษมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นก็มีดับไปก็มี สัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเพราะการศึกษาก็มีสัญญาอย่างหนึ่งย่อมดับไปเพราะการศึกษาก็มีที่อาตมาพูดถึงเมื่อกี้นี้ครับที่พระเจ้าตรัสว่าสัญญาเนี่ยสัญญาของคนของบุรุษมันมีเหตุที่ปัจจัยของมันทั้งนั้นแหละแต่มันเกิดขึ้นดับไปตามธรรมชาติครับอแต่สัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเพราะการศึกษาสัญญาอีกก็อีกอย่างหนึ่งดับไปก็จะดับไปเพราะการศึกษาครับไออย่างนี้สิต้องศึกษาสมาธิแล้วมันจะมีการดับการเกิดจัง สัญญาที่ถูกต้องนะครับนะเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยเมื่อเราสัญญาว่านิโรธฟังนะดีๆนะจะเป็นพูดหรือไม่ใช่พูดฟังดูนะเราสัญญาว่าเรากำหนดมาเราเข้าใจมาทิฐิของเราคือความเข้าใจความรู้ของเรารว่านิโรธคือการนั่งสมาธิหลับตาอลไก็เข๊ปอยพอเป็นฌานสี่ อุเบกขาก็เออมันไม่มีกิเลสนิวรนแล้วเมื่อไม่มีนิรเลนิโรกิเลสนิวรนแล้วก็จิตเราสะอาดละอุเบกขาละไม่มีครับนิวรนไม่มีนิวรนแล้วแต่มันยังไม่ดับครับนิโรบถแปลว่าดับอืมก็เลยเข้าใจสัญญาว่าคาว่าดับก็คือให้จิตมันหมดไม่คิดไม่ น, นึกไม่มีอะไรเลยนั่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งบอกว่าเออ่ มันไม่ไม่จะเป็นดับมันหลอกมันทําสว่างสว่างครับเลอไปคิดว่าศึกษาอรูปฌานต่ออเพราะงั้นเอาอากาศานัญจาจตนะสว่างก็เลยสว่างนี่แหละมันไม่มีนิวรย ม, ม, ม, มันไม่มีกิเลสแล้วนี่ก็เอาจจะสว่างไปอากาศาอานันโตอากาศโสติว่างสว่างไปไม่มีที่สิ้นที่สุดอานันโตครับก็เอาแต่ ว, ว่างสว่าง อาตมาเคยอธิบายฟังว่าอย่างฤาษีเนี่ยอาตมาก็ทํามาแล้วครับมาที่พูดนี่จะบอกว่าโอ้โหเจ้าเนื้อเมื่อสามก็ใช่เพราะว่าอาตมาทำมาจริงๆทำมาได้มันสว่างในช่วงแรกที่เป็นอากาสารนันกายะตนาชานเนี่ยคือฌานที่มันว่างโลง่งแต่มันยังไม่มีตัวเรามันยังไม่รู้ตั ว, ม, ม, ตวมันยังไม่เป็นวิญญาณตัววิญญาณคืออัตตามันยังไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราตัวเขาอะไรเลยมันมีแต่ความเเสพว่างอืม เราก็ยังไม่รู้ว่าเราเสียบ้างแต่เรามันมันเป็ น, เ ป, นเป็นการเสมอ <Mother. S 1> สเสมอิพบเสมอภูมิว่างครับแต่ยังไม่ไม่รู้ตัวเราว่าเราเป็นเราออื <Honestly. S 1> ไม่รู้ตัวเราเหมือนคุณนอนฝันนี่คุณจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นตัวเองอยู่ตั้งหลายที <î. S 1> นะถ้าสังเกตดีดีจะ <itez S 1> <namon S 2> เป็นฝันบางครั้งเออเรายังไม่รู้ตัวเราบางครั้งก็บอกเออตัวเรานะเรากําลังมันยัง ง, งี้ในฝันนี่แหละมันจะมีในขณะใดที่คุณยังไม่รู้ตัวเข้าไปสู่ความว่างนะ้ ตัวนั้นอยู่ในภูมิของหรืออยู่ในภพของอากาสารนันจายตนะอืมพอคุณรู้ตัวว่าโอ๋อเราตอนนี้เราคำลังอยู่ตรงนี้เองอืมอยู่ในภาวะว่างแค่มีแต่ตัวจิตไม่มีหรอกเครื่องรูปนอกมาหาพูติรูปอะไรไม่มีครับนะมันก็ว่างโอ้สบายจริงแล้เราได้เข้าสู่ถึงภูมิแล้วเว้ยมันจะรู้ตัวเลยว่าโอ้โนี่เรา เข้าไปถึงผูมีในหน่าเรารู้เลยมันจะมีภาวะรู้ตัวครับมีสติสัพพัญญะรู้ตัวว่าอ๋อนี่เราเป็นเราเนาะรเรากำลังอยู่ในภูพบนี้ก็เป็นวิญญาณนังใจเต น, นะมาจับมีการมาจับไอ้สภาวะนั้นได้เป็นวิญญาณที่เราทั้งรู้จากความว่า ง, างทั้งรู้จกากธาตุรู้ของเรามันกำลังเสพอารมณ์<ส>ว่างอู้หูสบายจริงๆแต่ไอ้ตรงที่เสพภาวะ อากาสารนั่นใจยตนาเนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวเราคือใคร ม, มันมีแต่ว่างอยู่กำลังร่องลอยเลยเนะี่ยร่องรอยอยู่ว่า ง, งไม่รู้ตัวพอรู้ตัวแล้วอ๋อเราเราก็ได้พบว่างพบอรูปฌานขั้นสองทีนี้เราได้ศึกษามาแล้วว่าไอ้มันยังมีรู้มันยังมีว่างมันยังสว่างอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ดับใช่ ดับมันต้องไม่สว่างมันยังผุผูโผล่อยู่ยไม่ใช่ผุผูโผลมันสว่างอยู่องนั้นอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ครับก็คือเรายังมารู้ได้มันไม่ถาวรไปจะถาวรก็ตามอคุณก็เป็นคุณรูคุณนะคุณจะเก่งอย่างนั้นให้มันใสสว่างอย่างนั้นโฟกัสใสไงโอ้โหโกัสใสใสไปู่เส <ไซ S 1> ้นใสท่านใส ไ, ไปอยู่ในพุทธเกษตรเลยแล้วก็ไปคุยกับพระพุทธเจ้าเลยพุทธเกษตรเลยใสไม่มีอะไรโอ้โหมีแต่โลกใสใส นี่พวกนี้พวกใสพวกใสอ่าพวกใสอืมอ่าใสใหญ่เลยเี่ยพวกนี้พวกไสโอ้โเข้าใจแล้วครับเห็นไหมครับนี่เป็นพวกภูมิภพภูมิไสเขาก็ไม่ยึดนิโรธไม่ยึดดับอืมเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นนิโรธก็เนื่ยเขาก็มีนิโรธเขานิพานเลยอืมเขาจึงเรียกว่าอันนี้เป็นอายตนะนิพานอืมนิพานมันมีมันมีอายตนะไงมีธาตุรู้ไงครับอายตามันมีตัวรู้ไงอืมแล้วเป็นนิพานนี่ไม่นิพานนี่ ไม่เรียกนิโรธเขาจะไม่เรียกนิโรธเขาจะไม่พูดนิโรธกันเพราะนิโรธมันดับภาษายังไงยังไงภาษานิโรธก็แปลว่าดับมันไม่ได้แปลว่ามันไม่แปลว่าอื่นรช้างสายนี้ก็จะไม่เอานิโรธเพราะูพูดเลยใช่มันเป็นอายตนะนิพพานใช่เขาเรียกอายตนะนิพพานเพราะว่าไอตัวจับมันไปจับไปจับอารมณ์สใช่เอาว่าาก็คิดว่านั่นกคือเส้นชัยโอ้โหแลวโลกใสแลโสดาก็ใสขนาดนสัทาใสยิ่งกว่าอนนาคาใสยิ่งขึ้นอรหันต์สใหญ่ ถ้าเป็นตนธาตุตนธรรมยิ่งใสพระพุทธเจ้าจะใสขนาดไหน้วคุณคือคิดเอาอแล้วก็ปั้นได้อืมในอารมณ์นี้คุณปั้ น, นได้ได้ไดใช่ไม่มีที่สิ้นสุดนะใช่อั น, นันโตนะใส่ได้ดูก็มันปั้นเองอนนี้ระมิดเองอะ่ะ อ, ม, อ ม, มันก็กําหนดเองสัญญาของคุณกำหนดเองเพราะทั้นคุณไปถึงสัญญาของคุณกําหนดรูขัน้นบอกว่าคุณกําหนดเองของคุณนะ ตอนนี้เราถึงขั้นอยู่ในภพภูมิกับพ ป, ปุถุจจามันใสที่สุดแล้วอืตอนนี้แค่โสดาเราบอกว่าโสดาก็ใสนี่ให้มันใสยิ่งกว่าสั่กิทาใสยู่ว่านี้อนาคาคุณก็ปั้นใสของคุณเองอ่ะคุณปั้นกายของคุณเองโดนชานลงประชุมของจิตของคุณเองอืมนี่คือกายต่างกันอืมโดยคุณก็กำหนดต่างกันครับเพราะฉะนั้นอยู่ในกาย วิญญาณทีติข้อที่สามหรือัสัตาว่าข้อที่สมอภัส ร, ราเนี่ยแปลว่าใสสว่างครับคนที่เรียนรู้ในภูมิ แ, แค่นี้ใสสว่างเนี่ยเขาจะไม่สว่างเหมือนกันหรอกใช่กายของคนแต่ละคนแต่ละคนต่างกันใสไม่เหมือนกันรูปโครงสร้างก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระเจะยังสร้างรูปอยู่เช่นสายที่เขสร้างพระพุทธรูปเป็นนี่คือองค์ใสโสตา นี่องค์ไสสกิทานี่องไสอนาขาใสกว่ากันนะอืมก็กําหนดไปกําหนดองคไสเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดเหตุการณ์เพราะมันไปกําหนดต่างกันมีมีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันไม่ไม่ไม่สอมก็สามขออภัยกายอย่างเดียวกันอาตมาพูดผิดกายไสเหมือนกันออืม่าแต่สัญญากําหนดมันต่างกันความสว่างต่างกันขออภัยอันนี้กรรมฟิ กายอย่างเดียวกันกายใสเหมือนกันใสแต่กาหนดใสต่างกันสัญญามันใสต่างกันมันไม่ถึงขั้นใสต่างกันเท่านั้นใสมันกำหนดว่ามันจะใสต่างกันไม่ต่างกันเทียงกันไม่ได้หรอกแต่มันมีเทียงกันนี่เป็นเหตุการณ์จริงเจ้าหนึ่งบอกว่าพระพุทธรูปนี่นะที่ใสนี่นะโซดากระนาดนี่มันก็ใสนะใสๆมันจะอย่างเดียวกันใสมันมันมาเทียงกันไม่ได้เลยวัด ใส่กันยังไงมันไม่มีเครื่องวัดแล้วอืมเพราะงั้นมันจะใสเหมือนกันอภิษราเหมือนกันหมดแต่สัญญามันจะต่างกันใสต่างกันอืหรือพอใสเป็นรูปร่างเขากําหนดหัวปุ้มกับหัวแหลมไงเคยได้ยินไหมเขาทะเลาะกันเรื่องหัวปุ้มหัวแหลมอเจ้านึงก็เห็นหัวปุ้มนไอีกเจ้านึงบอกไม่ปุ้มตรงแหลมองี้องนี้ก็บอกไม่ต้องปุ้มอย่างงี้ อันบอกไม่ใช่แลมอย่างนี้เพราะสัญญามันต่างกันอืสัญญามันต่างกันใสมันกำหนดไม่ได้ต่างกันมันใสไข่ใสมากใสน้อยใสกําหนดไม่ได้เทียงกันไม่ได้เอแต่ปุ้มกับแลมต่างกันเทียงกันได้ฮะเลยทะเลาะกันแยกวงเลยไปมีกายต่างกันกายของธรรมะต่างกันนเลยเกิดธรรมกายสองวง มเรื่องจริงน่ะจะมาเอาเรื่องจริงมาพูดให้ฟังแล้วเขาก็เกิดเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือกายต่างกันสัยกายอย่างเดียวกันแต่สัญญาต่างกันนะมีขั้นที่สามเมื่อเรียนรู้ก า, กายก็ไม่ชัดสัญญาก็ไม่ชัดก็เอามาทะเลาะกันก็เอามายึดมาถือกันทั้งนั้นแหลพะพอพวกที่รู้ชัดแล้วบอกโธ่มันไม่มีเลยซ้ําไปอืม ถ้าไปสมมติอยู่มันก็มีรูปมีตัวมีตนมีรูปมีร่างมีสีมีสันมีใสมีไม่ใสอะไรต่างๆแต่อาการสว่างอาการเนี้ยก็ลืมตานี่เราก็สว่างอืมพระอรหันต์เจ้าท่านสว่างองหนึ่งท่านสว่างท่านไปอยู่ในถ้ำไม่ได้รับแสงหรือมืดแต่ท่านก็สว่างครับท่านก็ใสสว่างเพราะไม่มีกิเลสใสองค์หนึ่งเวลาเดียวกันนะอื เวลาเดียวกันนะแต่องหนึ่งอยู่ในถ้ำมืดหรืออยู่ในห้องมืดแต่ท่านก็สายใจสายใจสว่างครับเป็นจักุเป็นเป็นจารัญญาเวทนาแสงสว่างเหมนสายสว่างเพราะใจท่านใสครังหนึงอยู่ข้างนอกถ้ำอยู่ในห้องสว่างมีแสงสว่างเหมือนกันเป็นสว่างเหมือนกันอืกําหนดเหมือนกันสว่างเหมือนกันเป็นสว่างอย่างจักรสุ อืจะครูมาโพลินุโพติเหมือนกันมีจักษุมีญาณมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างเหมือนกันอันนั้นท่านรู้ว่าท่านอยู่ในที่มืดอืแต่ใจท่านใสสว่างนี่ท่านอยู่สว่างไอ้สว่างนั้นมันเป็นรูปแต่นามมาทํานามมารูปของท่านใสสว่างด้วยกันนะครูนามกายของท่านใสสว่างทั้งคู่อืสว่างทั้งคู่เท่ากันเหมือนกันคือมันว่างสนิท จ, จากกิเลสเหมือนกันอื ร่าสนิจ ก, กิเลนเหมือนกัน น, นี่เรียกว่ากายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันเอาทีนี้มาถึงขั้นที่สี่กายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันแต่ต่างทิฏฐิกันต้องอธิบายคาว่าต่างทิฏฐิผู้ที่เป็นพุทธสมาธิเหมือนกันก็ต้องเหมือนกันอย่างที่อธิบายแล้วอรหันเหมือนกันเมื่อกี้ แต่ที่นี้อรหันต์ปลอมไม่ใช่อรหันต์จริงไปได้นิโรธอพอได้นิโรธของผู้ที่เห็นว่านิโรธนิโรธนี่ก็คือนิพพานนิโรธนี่ก็คือวมุตดไปพดเรียกเป็นภาษาที่เรียกแทนกันพอท่านไปดับจิตดับสัญญาดับเบชนะในมือดอืมมืดภาษาบาลีเรียกว่ากินนหาโอ้โหทาได้แล้วืห เป็นโชคเราจริงเนอไอ้โชคคํานี้ภาษาบาลีเรียกว่าสุพะอืมสุพ<ร>ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเทวดาหรือพระพรหมระดับสุภกินนะหะครับเป็น ส, ส, ส, ส, สุภกินนะหะครั บ, รบเพราะฉะนั้นต่างทิฐิเขาก็จะได้ของเขาตามสัญญาของเขาว่านี่แหละนิโรธต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สัญญาอย่างนี้เขาได้นิโรธจริงจริงส่วนศาสนาพุทธในนิโรธไม่ได้เข้าไปมืดอย่างนั้นครับ แต่พุทธก็ได้ในนิโรธก็เลยสัญญานิโรธเหมือนกันือสัญญาอย่างเดียวกันกายคือกายไม่มีเหมือนกันของเขาไม่มีอย่างมืดของเขามันไม่มีไม่มีอย่างมืดของที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่มีอย่างมืดพักครับผมถามนิดหนึ่งได้ไหมครับ กรณีสามกับกรณีสี่เนี่ยนะครับมีกายอย่างเดียวกันทั้งคู่ถูกไหมครับแต่มีสัญญาต่างกันอันที่สามแต่พอเป็นอันที่สี่เนี่ยกลายเป็นสัญญาอย่างเดียวกันทีนี้พอมาพูดถึงเป็นความสว่างกับความมืดมืดมันก็คือมืดมันไม่มีมืดมากมืดน้อยใช่ถูกไหมครับ<ช>แต่ไอ้สว่างมันมีสว่างมากสว่างน้อยอ่าจึงจึงแยกออกมาเป็นสามกับส<ช>ี่ถูกไหมครับใช่เพราะว่า สภาวะของของความมืดคือถ้าถ้ามันมองไปเส้นมืดเนี่ยมันไม่จะบอกว่าใครมืดมากน้อยกว่าใครเท่านั้นเองมันก็คือมืดจึงไม่ไ ม, ไม่มีไม่มีแยกอสองสัญญาใช่ถูกไหมครับสัญญามืดไม่มีแยกของสัญญามืดมันเลยเป็นมืดเดียวถูกไหมครับแต่ไอ้สว่างก็เหมือนผมยกตัวอย่างไอ้นี่ครับไอ้สว่างเนี่ยครับมันก็มีไฟสองด้านนะครับถูกไหมครับแต่มันมาจับไอ้ตัวเดียวกัน แต่อแต่ละด้านเนี่ยผมเปิดไฟด้านนี้มันก็สว่างหนึ่งแต่แอันี้ก็เปิดสว่างหนึ่งแต่ไอ้ความสว่างสองด้านถึงแม้มาจากตัวเดียวกันมันไม่เท่ากันในความสว่างตรงนี้มันจึงทําให้มีการแยกของความเป็นสัตว์ระหว่างสามกับสี่ตรงนี้ข้อสามข้อสามสัญญาต่างกันสัญญาต่างกันอ่าทีนี้มันมืดครับมันอย่างเดียวกันมันอย่างเดียวกันอ่ามันมืดมันอย่างเดียวกันแต่ความืดเนี่ยมันคือความไม่มีความไม่มีใช่ จะต้องเข้าใจตรงนี้แล้มันอธิบายยากตัวนี้มันสูงกว่ากันความปัจจัจจ์หรือจริงๆแล้วยังไงยังไงไอ้อสว่างเนี่ยเขาก็ไม่เรียกนิโรธครับขั้นที่สามเนี่ยอพอขั้นที่สี่เนี่ยมันสูงกว่าวิญญาณทิฏฐิริสัตตวาที่สี่นี่มันสูงกว่าวิญญาณทิฏฐิหริสัตตวาที่ที่สี่มันสูงกว่าไอ้ที่สามแน่นอนครับเพราะฉะนั้นจะถึงขั้นสูงก็คือขั้นนิโรธพราะะนาคตริยนิโรธนี่ก็ ต้อมาเรียนนิโรธกันผ่านสว่างพอมาถึงขั้นนิโรธทิฐิที่คิดว่านิโรธต้องดับจิตอย่างนี้ดับชัญญาดับเบตนาเขาก็ดับเขาก็ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งประเสริฐของเขาที่น่าอาัศวใจัยได้ว่าสุภะก็เป็นโชคของเขาเขาก็งดงามด้วยผลของเขาสูงสุดเป็นสุภะส่วนของพุทธนั้นทิฐิต่างกัน ท่านก็ไม่มีเหมือนกันท่านกิดดับเหมือนกันนิโรธเกิดดับเหมือนกันไม่มีเหมือนกันเลขเดือนภาษาบาลีวันนิโรธอย่างเดียวกันครับไม่มีเหมือนกันอ่าจะบอกว่าความไม่มีนี้ก็คือไม่มีในจิตอจิตดับจิตไปไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอืมันเฉยเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขเขาก็ไม่ทุกข์ไม่สุขเขาก็เฉยเฉยของพุทธก็ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็เฉยๆเหมือนกันไม่มีเหมือนกันคแต่ไม่มีอย่างสว่างไม่มีอย่างมีจักขุคมีญามีปัญญามีวิชามีแสงสว่างแต่ไม่มีอย่างเดียวกันคเขาก็นี้โรคของเขาคือเขาไม่มีกิเลสตอนนั้นเหมือนกันอืมไม่มีตอนนี้เขาถือว่าดับสนิทแล้วไม่มีอะไรเลยอย่าว่าแต่กิเลสเลยมันดับมืดเลยคแต่เขาไป นิทิฐีของเขาคิดอย่างนั้นใช่ทีนี้สมาธิถีของพุทธนั้นบอกว่าไอ้อย่างนั้นเราก็รู้เราก็ทำได้แต่ว่ามันไ ม, มน่มันไม่ใช่หรอกมันไม่มีประโยชน์มันไม่ไม่ไม่ไม่จริงครับเพราะนิโรธอย่างนั้นต้องเข้าต้องออกเป็นดับมืดแต่คุณออกมามันก็ต้องเจอกับแสงสว่างใช่มันจะดับได้ยังไงมันจะมืดได้ยังไงมันไม่มีกินนะ้ามันต้องสว่าง เพราะฉะนั้นเขาเจอในโรดเมื่อไหร่เขต้องเข้าไปดับอืนิโรธของทิฏฐิอย่างที่ไม่ใหญ่พูธจึงต้องมีเข้ามีออกเพราะว่าคาว่าอุปชิติหรือแม้แต่คําว่าออกสมติกมาสมติกมติเนี่ยแต่ ว, ว่าออกหรือวุฒิถามวุฒิฐามวุฒโถแต่ ว, ว่าออกออกจากฌาน อ, ออกจากโลก ออกจากกิเลสหลุดพ้นนั่นเองใช้คำว่าหลุดพ้นมิมุดก็ได้ออกจากอันนี้เนี่ยหลุดพ้นชั้นนี้แล้วมาขึ้นชั้นสูงขึ้นไปแล้วก็ไม่กลับมาชั้นต่ำอีกนี่คือความหลุดพ้นของพุทธเจ้าส่วนอันดับอันหลุดพ้นของเขานิโรธของเขานเขานี่ยเข้าแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าเข้ามาวนอยู่นี่ไม่ได้ออกจริงเลยเพราะนิโรธของพุทธกับนิโรธของฤาษีที่ไม่ใช่พุทธจึง นิโรธสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติเขาต้องดับเขาต้องเข้าแล้วเขาก็าต้องออกมาสู่สว่างจะเข้านิโรธอีกต้องนั่งดับเข้าไปอีกเพราะงั้นนิโรธของศาสนาที่มันไม่ใช่สรร ม, มาทิ่ฐิของพระพุทธเจ้าจริงๆอยจึงนิโรธแล้วก็มีวนเวียนกลับมาดับแล้วก็มาบอกเปิดเปิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เปิดเปิดแล้วก็ดับสว่างแล้วก็มืดมืดแล้วก็สว่าง แต่ของผูเจ้านั้นสว่างตลอดพบหลุดพ้นแล้วก็สว่างไม่หมดเลยดับก็คือดับสนิทไปเลยดับไม่มีดับไม่มีเกิดอีกดับอย่างทาออ้าวรยั่งยืนนี่คือลักษณะที่ต่างกันคือผมพยายามทำความเข้าใจก็คือ <c oughs> การการเป็นเช่นนั้นเนี่ยครับแบบแบบฤษีเนี่ยมันจะไปขัดแย้งของหลักปฏิกิสมุทบาท เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการตัดสายปัจจสมุปบาทไม่เลยถูกไหมครับเพราะมันยังเข้ามันยังออกไม่มีเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยเพราะนั้นหลายคนผมก็นึกถึงบางทีภาพข่าวเขียนเลยว่าเอท่านนั้นท่านนี้เกจินั้นเกจินี้นี้โลดแล้วดับอยู่ในสภาพถูกไหมครับถึงแม้ดับยังไงสภาวะภายในก็ไปไม่ถึงซึ่งซึ่งซึ่งนิพพานไม่ถึงไม่ถึงซึ่งนิพพานได้ไม่ได้ไม่ช้าจิตทีอยู่ถูกไหมครับเพราะว่า สัญญาผิดอยู่ซึ่งมันไม่ได้เป็นสัญญาที่ชื่อยาวๆนั่นแหละครับ <c oughs> สัญญาเวทีจติเ น, นียโรดนิโร ด, ดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละกระบวนการของการตัดในเส้นของหลัปกปฏิกิยสมุทรบาทก็ยังไม่สิ้นสุดยังยังไม่เข้าอยู่ตรงนี้ก็เลยเลยผมทําความเข้าใจอธิบายตรงนี้ถูกต้องใช่ไหมครับขอบคุณครับในความเข้าใจใช่เพราะว่ามันไม่มันมันมันไม่ก็คือการกําหนดรู้การทำความเข้าใจเนี่ย เข้าใจว่าลักษณะนิโรธสมาบัติคือการเกิดสภาวะของนิโรธเกิดอย่างไรคเพราะสภาวะของนิโรธเขานิโรธจะต้องเกิดแบบนั้นแบบเขาไปมืดอยู่ในพบมืดดับอยู่อันนั้นเป็นการสร้างพบจริงๆกันไปแต่อันนี้ไม่เป็นการหลุดจากพบจากพบข้ามไปข้ามพ้นไปแล้วก็ไม่เวียงกลับมาสู่พนี้อีก ถูกไหมครับมันต่างกันมันต่างกันลึกซึ้งกับการซับซ้อนใช่ไหมครับอ่ามันหลุดพ้นออกไปมันไม่ใช่เข้าไปเสพเข้าไปจมอยู่ในตรงนั้นเข้าไปดับเข้าไปเป็นอยู่ตรงนั้นไอ้ที่หลุดพ้นเนี่ยมันหลุดจริงๆมันออกไปจากตรงนั้นเลยแต่อันนี้เนี่ยออกออกเข้าเข้าเขาเข้าออกเข้าฌานก็ดีเข้าสมาธิก็ดีเข้านิโรธก็ดีเขาหมายเอาเข้าไปนั่งหลับตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในภพอยู่ในผวังเพราะงั้น จะทําสมาธิก็ดีจะทําฌานก็ดีจะทํำนิโรดก็ดีของเขาคือเข้าไปสร้างภพอยู่ในองค์ของภพเลยว่าผวังครับเข้าไปสร้างภพอยู่ในองค์ของภพเขาไม่ได้ล้างภพจริงๆก็คือยังติดกิเลสในขั้นละเอียดคือกิเลสของการเสพรดภพนั้นอยู่นั่นเองคือไม่ได้ขาดถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นถึงขั้นสุด ใช้ไปเส้นทางรูปประชานก็ไม่รูปะพบใช่ไหมครับมันก็รูปชาครับรูปพหมดเลยมันจะสว่างมันจะไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีอย่างนี้มันจะไปโดยธรรมชาติของมันโดยโดยความเบาบางโดยธรรมชาติโดยเองโดยที่เขาไม่รู้ว่าความดับนั้นหมายถึงอะไรไม่ใช่ดับจิตไม่ใช่ดับเวทนาไม่ใช่ดับสัญญาหรือแม้แต่สังขารก็ไม่ใช่ดับสังขารรุ่นดุ่น เวทนาส e ัญญาสังขารวิญญาณดับัปหมดเลยอืหรือดับเวทนามันก็ดับเหมือนกันดับสัญญามันก็ดับหมดเหมือนกันดับสังขารจิตสังขารก็ดับมืดเหมือนกันดับวิญญาณก็ดับมืดเหมือนกันหมดน่ะเพราะว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็คือธาตุรู้ทั้งหมดเพราะจะดับเวทนาหรือดับสัญญาหรือดับสังขารหรือดับวิญญาณก็ดับธาตุรู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นดับธาตุรู้ทั้งสี่กองนี้ก็คือมืดมืดทั้งหมด คุณจะเรียกตัวไหนก็แล้วแต่เรียกตัววิญญาณเรียกตัวสังขารเรียกตัววิญญาณเรียกตัวสัญญาเรียกตัวเวทนาคุณดับมันจริงๆดับไปตัวพวกนั้นมันมืดหมดตรงนั้นครับแต่ความจริงการดับของพระเจ้านั้นคือดับอกุโสลเจตสิกอืดับตัวกิเลสดับตัวเหตุแห่งทุกข์ใช่ต้องชัดตัวนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเรียนรู้สักกายตัวตนของตัวสภาวะของตัวที่จะต้องไม่ให้มันมี ตัวนี้ไม่มีปฏิกิริยาตัวนี้ <whis> การดับของฝ่ายพุทธนั่นคือสิ้นปฏิกิริยาภายในจิตไม่มีกิเลสนันนั่นแล้ว<ช>กิริยาหรืออากา ร, ารของกิเลสตอนนั้นไม่มีแล้วถึงขั้นสิ้นอาสวะตลอดไปทีเดียวใช่นี่คือการสิ้นการดับส่วนฝ่ายที่ไม่ใช่พุทธนั้นสิ้นกิริยาคือภายในจิตมันไม่มีกิริยาเหมือนกันใช่ เป็นนิโรธของเขาเนี่ยนะครับมันดับในชุ่ไปชั่วขณะที่เรียกว่านิโรธสมาบัตินั้นๆแต่แล้วก็จะต้องออกจากนิโรธมาสู่ความมีกิริยาใหม่ไม่เกี่ยวกับการกิเลสดับไม่ดับใช่ไม่ได้กําหนดมั่นหมายไปกันตรงนี้เป็นสําคัญใเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เออ่กองเชียร์ทั้งหลายอะก็มองว่านั่นแหละมีอิจิลิตมีที่เดชมันก็เลย เป็นเป็นอะไรขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นพุทธะที่แท้จริงแต่ก็เลยหลงว่ามันคือพุทธะเพราะไปติดกับดักในความเป็นไปนี่เป็นความละเอียดวันนี้พูดถึงกายพูดถึงเวทนาพูดถึงอะไรเอาละมันเวลาหมดแล้ ว, <ม>ลวคุณสรุปก็ลกันแล้วเห็นมีอะไรโนต้ตมาหรือเปล่าอ๋อมีโนต้ตมาครับอันหนึง่งอ๋อโนต้ตแม้คุณไม่ทักเนี่ยอาตมาลืมเลยนะเนี่ย ค, คือมีงานของพวกเราชาวโศกก็ขอส่งข่าวถึงชาวโศกนะ เชิญร่วมงานพระราดอนระภาพทราบซึ้งใจที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดพังงาที่จริงเนาะชุมพรเอาไปแวะเราไปจัดงานจริงๆอยู่ที่ อ, อยู่ที่เลขันเรียกวา่าที่ท ช, ชุมชนชุมชนของเราเรียกว่าชุมชนชเชลขัญอยู่จังหวัดพังงาแต่ไปแวะชุมพรก่อน พ่อจุมพรเราก็มีที่มีอธรรมชาติอโศกอยู่ที่นั่นเหมือนกันครับอ่าที่หลังสวนที่อย่างสวนที่ควรทาที่โรงปุ๋ยรักดินอมีสบอรกรณรักตัวนี้ครักษาดินได้เลยโรงปุ๋ยรักดินครับวันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดกรกฎาคมวันที่ห้าจะมีตลาดอริยะอตลาดอริยะจำหน่ายสินค้าชุมชนอโศก และปุ๋ยขวันดินในราคาบุญนิยมครับอ่าไอแวท่ทีนัน ก, ก่อนแล้วก็ถึงจะจะเดินทางไปร่วมงานพระราดอรภาพสาบซึ่งใจกันที่เฉลขวันอําเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน่าจะมีรายการเอื้อไออุน่น6โมงเย็น6โมงเย็นอันตมาเราจะนําพาไปและก็วันที่หกครับจามีวันที่ห้าวันที่หกอีซี 4, ก็จะมีการประชุมพัก น่าพักเพื่อฟ้าดดินกันรวมกิจกรรมรทางพี่น้องชาวใต้หรือ ว, ว่าพวกเราจะไปรวมกันที่นั่นวันที่ห้าที่หกที่ 7, เจ็ดเดนงานของเราอวันที่เจ็ดจะมีถ่ายทอดสดวิธีอริยะธรรมเก้าโมงส่วนวันอื่นๆนั้นถ้าว่างเขาก็จะถ่ายทอดถ้าไม่ว่างเขาก็จะอัดเอาไว้ไว้มาออกพวกเราดีรันก็เก็บไว้อยู่ไทยก็มีคนไปสายเก็บถ้าออกสดได้เขาก็ออกแต่ว่ารายการเขาอาจจะมาวันที่เก้าวันอาทิตย์ เก้โมงมนันรายการอาตมาอาตมาอยู่โน่อนอาตมาก็ออกสดมันเลยครับวิธีอริยธรรมจะออกที่นั่ น, นอ้าวก็เชิญมีทุกอย่างอย่างที่งานพวกเราละไม่ต้องห่วงอาหารการกินมันมีกินแน่นี่คือสิ่งที่จะต้องบอกคุ ณ, คณทักไว้อาร์เ น, นิสคุณสรุปครับวันนี้ก็สรุปก็ถ้าท่านผู้ชมติดตามรับชมรับฟังมาโดยตลอดนะครับจะเห็นความชัดเจนของ เรื่องของปรากฏการณ์ของชีวิตเราเนี่ยครับที่เรานั้นมีองค์ประกอบด้วยขขนห้านะครับและเราเนี่ยได้รับรู้นะครับแล้วก็สัมผัสกับโรคภายนอกนั้นโดยการอาศัยอยายุานะทั้งหกนั้นนะครับและกระบวนการของความรับรู้นั่นแหละมันก่อเกี่ยวเป็นความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง ที่อา ธ, าธิบายก็คือเรื่องตามเหตุปัจจัยตามหลักอิทธปัจจยตาและความเป็นไปของหลักปฏิกิรสมุทรบาสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเป็นรูปเป็นนามนั้นนะครับกระบวนการของความเกิดกายนั้นเนี่ยวันนี้จะสามารถเห็นความชัดเจนละเอียดมากขึ้นว่าเป็นความต่อเนื่องนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงความเนื่องแล้วก็ความโน้มเข้ามาสู่สภาวะภายในนะครับและจนสุดท้ายนะครับพ่อครูก็อา ธ, าธิบายถึงการ สภาวะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทั้งภายนอกภายในจากกระบวนการทั้งหลายเนี่ยขององค์ธรรมแบบโดยเรียมโดยนามากายแล้วเนี่ยนะครับความเป็นไปทั้งหมดเนี่ยก็ไปสู่เป็นคําตอบของการไปสู่ของการรู้เหตุนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เหตุนั้นก็เข้าสู่กระบวนการของหลักอริยสัจสีนะครับวันนี้พระภูอถาธิบายเรื่องหลักอริยสัจสีอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนิโรดนั้น ก็ยังอธิบายต่อเรื่องความเป็นนิโรธของฤาษีกับความเป็นนิโรธของพุทธที่แท้จริงเพื่อให้เกิดทําความเข้าใจเพราะฉะนั้น ถ, ถ้าดูติดตามนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนั้นจะเห็นว่าการอาธิบายธรรมนั้นโดยหลักธรรมนั้นจะไม่มีการขัดหรือแยง้งหรือขัดในตัวเองของบริบทพื้นฐานและไล่ขยายออกมาเลยนะครับตรงนี้นะครับผมคิดว่าท่านผู้มีเกียรติท่านใดนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับถ้าสามารถถอดเทป ในช่วงรายการวันนี้ได้แล้วเขียนเป็น mind map นะครับใจผมเนี่ยผมเห็นตลอดเลยนะครับถ้าเขียนเป็น mind map นั้นจะเห็นได้ชัดในสิ่งที่พ่อปู่อ ธ, ธิบายในการแตกนะครับในการแตกแล้วก็แยกเป็นประเด็นต่างๆของสิ่งที่เป็นต่างๆนะครับรู้เหตุรู้เหตุรู้ไปยังไง ร, รู้แล้วเกิดอะไรสภาวะของเป็นไปนั้นตามเจตนามโน อ่ามนสันเจตนานะครับไปสู่ความเป็นพบชาติยังไงความเป็นกรรมาตัญหาเพราะว่าตัหาวตรงนี้ครับถ้ามีคนถอดเนี่ยจะเห็นได้ชัดมากเลยนะครับถอดออกมาเป็น MindMap นะครับตรงนี้นะครับคือหรือเรียกว่าแผนที่นะครับตรงนี้ผมอยากจะฝากไว้นะครับท่านใดมีความสามารถอ่าเรามีการรีรันซ้ำแล้วก็อาจจะอยู่ใน YouTube ลองทำแล้วส่งมาที่เอ t v อมวดูนะครับแล้วเราก็จะได้มาช่วยกันให้รายการเรียนอิสระตามสานึกนั้นมี เขาเรียกว่ามีส่วนร่วมจากทางบ้านแล้วก็มีการพัฒนาคุณค่าของรายการนี้มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพ่อครูมาแ อ, อกวครับดีอันสุดยิ่งนะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมคงเหมือนเชน่นกันกับผมนะครับว่าวันนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วก็หูตาสว่างมากและมากๆขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับรับตาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับจะเรียทําสำเน็ตดีครับสวัสดีครับ